ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่47บพูดกันในเรื่องปัจจัยสมาธิไว้แล้วก็จบไปทีหนึ่งโดยหลักทั่วไปหรือว่าข้อความที่ควรทราบทั่วไปแต่นี่ว่าเรื่องโยนิสมรสิการนี่เป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อย โยนิโสมรติการที่ว่าเป็นการทําในใจโดยแยบคายรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเป็นเรื่องของการคิดหรือว่าการพิจารณาที่จะทําให้ได้รู้ความจริงแล้วก็ทําให้ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆอย่างได้ผลดีอันนี้โยนิโสมรติการนี่ จะมีอุปสรรคสำคัญอยู่ก็หนึ่งก็คือว่ามีความเห็นผิดหรือมีความเชื่อที่ไปยับยัง้งทำให้ไม่คิดซะนะบางทีคนเรานี่ก็ไปยึดถือด้วยตนเองบ้างหรือว่ามีคนอื่นเช่นในวัฒนธรรมนั่นเองหรือแม้แต่ในศาสนาที่ไปกำหนด ความเชื่อว่าอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้คนเนี่ยยอมรับตามไปโดยไม่ได้ใช้ความคิดแล้วก็เลยติดอยู่แค่นั้นมันกลายเป็นโทษไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตอนรับรู้เองแทนที่จะมาใช้ความคิดพิจรารณาก็ไปติดอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจซะอันนี้ก็ถือเบีย่ยงเบน พอรับรู้ด้วยความชอบใจไม่ชอบใจทีนี้ก็ไปวุ่นกับเรื่องก็ไปเพลิดเพลินหรือว่าไปเกิดความขัดเคืองแล้วก็คิดปรุงแต่งวุ่นไปออกนอกทางไปเลยก็เลยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงเราไม่สามารถเอาประโยชน์เท่าที่ควรจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อโยโอนิโสมรจิการทีนี้ มาถึงตอนที่ว่าคิดเองพิจารณาเองก็ยังเกิดปัญหาอีกบางทีก็เป็นการคิดพิจารณาแต่ว่าไม่เป็นโยนิสสมรสิการกลับเป็นอายนิสสมรสิการไปแม้แต่การคิดไปตามชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นอายุนิสสมรสิการคือมันจะตกอยู่ใต้อำนาจความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากชอบใจและไม่ชอบใจนั้นเข้ามาครอบงำเสีย หรือวิธีการคิดเหตุผลเองก็อาจจะตันนะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างคนโบราณก็ว่าคิดแล้วแลวแต่คิดแล้วก็ไปตันซะอีกก็อย่างมองเห็นปรากฏการธรรมชาติมีฟ้าผ่าฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะ ก็อาจจะคิดในแง่เออสิ่งทั้งหลายก็ต้องมีเหตุใช่ไหมแสดงว่าเออก็คิดเขา้าทีมีเหตุก็แต่ว่าแทนที่จะสืบสาวไปตามลำดับออก็มามองว่าเออมันอะไรกันเนี่ยอะไรจึงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งน่ากลัวเป็นอันตรายมาก เ, ออเช่นว่าฟ้าผ่าแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ก็มานึกว่าเออ เอามาเทียบโยงเอาในหมู่มนุษย์เองไอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องอันตรายใหญ่หลวงทีงนี้ในหมู่มนุษย์เรานี้ก็มีคนที่มีอำนาจเวลาเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำอะไรที่ทำให้เกิดโทษเป็นผลร้ายหรือมีการลงโทษอาจจะรุนแรงก็คิดไปในแง่ว่าคงจะมีผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลัง ปรากฏการ์เหล่านี้เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นนี่ก็คือมองคิดเทียบเคียงเอากับในหมู่มนุษย์เองก็เลยคิดว่ามีเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้เกิดปรากฏการ์ธรรมชาติที่น่ากลัวเหล่านั้นนี้ว่าเ ม, เมื่อมีผู้มีอำนาจโดยบันดาลอันนี้เราจะทำไงแก้ไขปัญหาก็เหมือนในหมู่มนุษย์น่ะคนที่มีอำนาจจะทำร้ายคนอื่น เราก็ต้องไปเอา อ, อกเาใจให้เขาพอใจแล้วเขาจะได้หายโกรธหายพิโรธไม่ทำให้เกิดผลร้ายไม่ลงโทษเราน mm hmm. ก็เลยจ้องใช้วิธีนี้ไปปฏิบัติกับผู้มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติก็คือเทพเจ้าต้องไปวงสงอ่อนบอดเป็นต้นในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการอะไรที่ อยากจะได้เป็นผลดีกับตนเองก็เหมือนกันถ้าผู้มีอำนาจเขาโปรดปรานเขาก็ช่วยทําให้เราก็ได้ง่ายๆเราทําเองไม่ได้เขาทําให้ได้นี่ก็พวกเทพเจ้าเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการผลดีท่านก็คงบันดาลให้แต่เราต้องไปเอาใจท่านนีน่ความคิดมันก็ตันหรืออย่างว่าออโลกนี้มันเกิดขึ้นมายัางไงชีวิตนี่เกิดขึ้นมาอย่างไงนี่ก็คือปัญหาสําคัญมาก เรื่องของโลกและชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นปัญหามาจกนกระทั่งปัจจุบันนะนี่ก็คิดดูว่าเอสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีนี่ก็มาคิดเทียบเคียงเอาก็มาเอามนุษย์นี่เป็นหลักอีกแหละว่าสิ่งที่มันไม่มีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันมีขึ้นมานี่อ๋อก็มนุษย์สร้างมันขึ้นมันจะอยู่อยู่เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องมีคนสร้างมัน อย่างหม้อดินหม้อดินเผาหรือเครื่องใชตง้ต่างๆแต่ก่อนมันก็ไม่มีนี่ก็มนุษย์ก็มาสร้างขึ้นมันก็มีขึ้นมาโอ้นี่ในธรรมชาติโลกชีวิตอะไรต่างๆนี่มันต้องมีผู้สร้างนะพออย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ได้ข้อสรุปโอ้ก็ต้องมีเทพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาสร้างสรรสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จึงเกิดมีขึ้นได้แต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีนะเหมือนกับ ที่ว่าเมื่อกี้บอกหม้อดินที่เราใช้หุงข้าวนิจตะก่อนมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็มีเพราะคนไปสร้างมันขึ้นอันนี้โลกชีวิตอะไรต่างๆจั ก, กรวาลนิจตะก่อนมันก็ต้องไม่มีแล้วมันมีก็เพราะมีเพราะผู้เป็นเจ้านี่สร้างขึ้นมานี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอายนิสสมรจิการคิดไม่แยบคายนะอ้าวก็ไม่คิดต่อไปละที่มนุษย์จะสร้างหม้อดินนั่นนะ่ะ ต้องเอาวัสดุมาทำนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะต้องไปเอาวัสดุดินมาปั้นมาเผามาอะไรต่างๆใช้ฝีมือมนุษย์ในการปั้นนี่ไม่คิดต่อไปจบแค่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีแล้วมันมี ม, น, ม, ม, น, ม, ม น, นุษย์ไปสร้างหม้อ ด, ดินขึ้นมาก็ไอ้วัสดุที่เป็นมหม้อ ด, ดินเนี่ยอา่ามันต้องมีก็เอาอะไรมาสร้างเป็นหม้อ ด, ดินล่ะตอนนี้ไม่คิดต่อใช่ไหมกาคิดมันไม่ตลอดสาย หรือว่าแล้วคนละไอคนที่สร้างที่มาปั้นหมอดินะคนมาอย่างไงใช่ไหมมันก็ต้องมาต่อต่อกับไปอีกนี่ความคิดอย่างนี้ก็ต้องถามเหตุปัจจัยนะ่ะสืบค้นลงไปอันนี้เป็นความคิดที่ตันคิดชั้นเดียวมันก็เลยไปลงข้อสรุปแล้วกลายเป็นความเชื่อไปถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ายังคิดไม่แยบขายก็ไม่สามารถได้ความจริงได้วิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ เป็นโยนิสมฆ์ราการก็รู้จักตั้งคําถามตั้งคําถามไปเรื่อยๆืยถามไปนะอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ก็ถามพระองค์เองสภาพจิตอันนี้เกิดขึ้นมาอา้าวแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีอะไรเกิดขึ้นมามีอะไรในจิตใจก่อนแล้วจึงมีอันนี้ก็สังเกตจิตใจตัวเองดูไปดูไปก็ได้คําตอบพอได้ว่าอันนี้มีขึ้นก่อ น, อนแล้วอันนี้จึงมี ก็ไปถามตอไปอีกว่าแล้วอันนั้นละ่ะอันที่สืบค้นได้ใหม่มันมีขึ้นมาเนี่ยมันมีขึ้นได้อย่างไรมีอะไรมาก่อนแล้วก็พอคนเจอก็ถามตอไปอีกแล้วอันนั้นเรามาอย่างไรก็คนสืบหาสังเกตดูเน่เหตุปัจจัยต่งตางๆจนกระทั่งได้ครบกระ บ, บวนการก็ทำให้ได้คำตอบอันนี้เรื่องเนี้ เรื่องเกี่ยวกับการใช้อยู่ในสมรู้กาญน์นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เน้นในพุทธศาสนาคือไม่ให้ไปติดตันเอาง่ายๆหรือว่าเป็นอยู่โดยไม่ใช้ความคิดแม้แต่ในเรื่องชาดกจะเห็นว่าชาดกเรื่องแรกเลยในพุทธศาสนานี่เรื่องแรกนะในห้าร้ยสี่ิบเจ็ดเรื่องเรื่องแรกนี้จะเป็นการฝึกให้คนรู้จักคิดเลยนไม่ใช่ไปหลงงมงายนี่ เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็พาชีวิตและหมู่คณะไปสู่ภัยพิบัตนะิก็เลยลองเอาชาดกเรื่องแรกมาเล่าให้ฟังนะเป็นคติสอนพุทธบริษัทให้รู้จักดำเนินชีวิตนะเอาโยนิสมสิการมาใช้แม้แต่กับเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องเหตุการณ์ที่มนุษย์จะได้ประสบยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องลึกซึ้งภายในจิตใจ ที่จะค้นหาสัจธรรมอะไรนะอันนี้ก็มีชาดกเล่าไว้ว่านะสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดในเมืองพาราณสนะีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาศีแล้วก็เป็นลูกพ่อค้าพอโตขึ้นมาก็เป็นหัวหน้ากองคารวานนำกองเกวียนซึ่งมีพักพวกรวมแล้วก็ห้าร้อยคันสมัยก่อนนี้ถ้า มากแล้วก็ห้าร้อไปก่อนแหละนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็นำกองคาราวานแสดงว่ากองใหญ่และเนีมีเกวียนเยอะห้าร้อยคันห้าอยเล่มนะแต่ก่อนเกวีนเขาเรียกเล่มเขาไมาเรียกคันถ้ารถแล้วก็เรียกคันเกวียนเรีย ก, กว่าเล่มนี่ก็พระโพธิสัตว์นี่ก็นํากองเกวียนหรือคาราวานเนี่ยออกเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆอันนี้ พอดีว่าตอนนั้นในเมืองเดียวกันก็มีอีกครอบครัวหนึ่งลูกโตขึ้นมาก็มาเป็นพ่อค้านำกองเกวียนหรือกองคาราวานไปค้าขายเช่นเดียวกันก็มีมากอีกแหละก็นับกันไว้ง่ายว่ามีห้าร้อยเมือนกันตกลงว่ามีพ่อค้าเกวียนที่หนึ่งคือพระโพธิสัตว์แล้วก็สองก็คือคนร่วมในเมืองเดียวกันนั้น อันนี้คราวหนึ่งจะไปค้าขายในดินแดนไกลแห่งหนึ่งนะซึ่งยังไม่เคยไปแล้วทั้งสองกองเกยียดก็อยากจะไปด้วยกันทะคูนะุ mm hmm. เมื่อจะไปด้วยกันทั้งสองกอง mm hmm. พระโพธิสัตว์ก็มาคิดว่าเอถ้าหากว่าไปพร้อมกันนี่มันจะแออัดยัดเยียดมันคนปริมาณมันมากเกินไปนะการค้าขายปลายทางก็จะไม่ได้ผลดีเข้าไปแย่งกันด้วย แลระหว่างเดินทางก็จะต้องกินต้องใช้ต้องอะไรต่างๆมากห้าร้อยนี่มันก็มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะมาตกลงกันเดินทางไปคนละครั้งแต่ใครจะไปก่อนไปหลังละ่ะพระโพธิสัตว์ก็เลยให้โอกาสแกกองคาราวานอีกกองหนึ่งก็ไปถามบอกว่าเนี่ยเราจะออกเดินทางไปที่เดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ดีนะจะไปกันมากมายทั้งสองกองเวียนต้องเท่ากัน 1,000 พันเนี่ย เพราะนั้นมาตกลงกันใครไปก่อนใครไปหลังอา้าวท่านคิดว่าท่านจะไปก่อนหรือไปหลังล่ะตายหัวหน้ากองเวียนซึ่งเป็นชาวเมืองเดียวกันนั้ น, นซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยแกก็คิดบอกว่าเออเราจะไปก่อนหรือไปหลังดีถ้าไปก่อนนี่น ะ, นะไอ้พวกเขาเรียกว่า ผักฟืนน้นพวกอาหารสำหรับค น, น, นก็เก็บเอาพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่ใช่เป็นอาหารได้สำหรับคนก็ดีแล้วก็หญ้าสำหรับพวกวัวเป็นต้นก็ดีเนี่ยมันจะยังพรั่งพร้อมบริบูรณ์ดีใช่แล้วก็น้ำก็ยังใสเออแล้วไปถึงปลายทางแล้วเราจะตั้งราคายัางไงก็ได้เพราะยังไม่มีพ่อค้าอื่นมาขายเพราะนั้นเราจะได้เปรียบ แล้วทางที่จะไปนี่มันก็ยังเรียบร้อยดีแต่ถ้าไปทีหลังเนี่ยเกวียนห้าร้อยผ่านไปแล้วทางชอมรุดหมดไอพวกไปทีหลังแย่เพราะนั้นเราไปก่อนดีกว่านกก็เลยพ่อค้าที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนึกก็เลยบอกเราไปก่อนว่างั้นอันนี้พระโพธิสัตว์ก็คิดบอกว่าเออให้เราไปหลังเนี่มันก็ดีนะ กองเกวียนที่ไปก่อนนี่จะทําให้ทางที่ไปนี่มันเรียบสม่ําเสมอขึ้นเพราะไปก่อนนี่ทางไม่เคยไปนี่มันจะครุขระอะไรต่างๆพอกวียนไปห้าร้อมันจะช่วยให้ทางเรียบขึ้นไปนีทีนี้พวกพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยแล้วโดยเฉพาะพวกหญ้าเนี่ยเมื่อถูกพวกแรกไปแล้วเนี่ยนีถูกเด็ดถูกอะไรออกไปมันจะงอกใหม่ พอ ง, งอกใหม่เนี่ยจะอ่อนแล้วก็จะอร่อยกว่าด้วยใช่มเออแล้วก็พวกที่ไปก่อนในทางในมันกรดานก็ไม่มีหาหาน้ายากก็จะต้องไปขุดเราไม่ต้องลงแรงมากพวกนั้นไปขุดมาให้พร้อมแล้วเราไปก็มีบ่อน้ำอะไรอะไรเป็นต้นนะเพราะนั้นและยิ่งไปถึงปลายทางแล้วพวกนั้น ไปตั้งราคาไปกำหนดราคากว่าจะตกลงกันได้นี่แย่เลยว่าเั้นพอเขาตกลงกันได้แล้วราคามันมีเราไปถึงก็ขายตามราคานั้นสบายไม่ต้องไปลาบากนะเพราะว่าการกำหนดราคาแหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะลำบากลำบนคิดไปสักอย่างตกลงใครคิดถูกนะดังนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกเราไปหลังดีแล้วนะก็เลยตกลงนะ อนี้ลองคิดดูสังเกตดูวิธีคิดของสองฝ่ายนะฮะเอาละทีนี้ตกลงว่ากองเกวียนที่อีกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ประโพธิสัตว์ก็เดินทางก่อนทางนี้เป็นทางกันดารมากก็แบบทะเลทรายแหละสมัยก่อนเดินทางกองคารวานมักจะผ่านทะเลทรายอันนี้ก็ต้องเตรียมน้ํากันอย่างมากมายอันนี้ในกองเกวียนนั้นนอกจากใช้เนื้อที่สําหรับบรรจุสินค้าแล้วก็จะต้องใช้เนื้อที่จํานวนมาก มันจุพวกสเสบียงอาหารโดยเฉพาะก็คือน้ําเอาตุ่มน้ํำใหญ่ๆ ใ, ใส่แล้วน้ําใส่เพหนักเยอะเลยก็เดินทางไปเดินทางรอนแรมไปในทะเลทรายไปถึงตอนหนึ่งก็มีนี่กล่าวถึงพวกยักษ์พวกอมนุษย์บางพวกอมนุษย์นี่ก็เห็นมนุษย์หมาก็ชอบสมัยก่อนเขาถือว่าพวกอมนุษย์นี่ก็จะมาชอบกินคนนี่ก็ พวกนี้เห็นกองคาราวานใหญ่มาเป็นอมนุษย์ประเภทไหนก็นแล้วแต่นะก็เลยว่าอ่ะนี่ถ้าเราหลอกพวกนี้ได้แล้วกันได้กินเยอะเลยนะคณะก็เลยมาหลอกโดยที่ว่าทําเป็นว่านั่งเกวียนนะกันมาเป็นคณะย่อยๆสวนทางมานะสวนทางมาแล้วก็ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยผ่านสภาพอุดรบสมบูรณ์มา นะผ่านฝนมาตัวเปียกผมเปียกผ้าเปียกนะแล้วก็มีเอาของกินที่มาจากถิ่นที่มีน้ํามีฝนเยอะนะอย่างเขาเรียกสมัยนั้นก็ไปพกเง่าบัวอะไรพวกนีนะ้แสดงท่าทางที่ว่าร่าเริงนะน้ําก็ยังเปียกอยู่ที่รถอะไรอย่างนี้นะที่เวียนนะก็ผ่านสวนกันมาพอสวนกันมาแล้วก็ามาหยุดทักทายกันก็ลงไปถามไฟ พวกมนุษย์นี่ก็ถามหัวหน้ากองเกวียนนี่ว่าท่านจะไปไหนว่างั้นบอกจะไปขายของว่างั้นไปสินค้าขายที่เมืองโน้นปลายทางอีกไกลว่ในเกวียนก็าทานบรรทุกอะไรล่ะก็บรรทุกของมีค่าทีจะไปขายสินค้าเยอ ะ, อะแล้วเกวียนข้างหลังนี่ทาไมมาช้าจังล่ะมีอะไรเหรอบอกโอ้บรรทุกน้ําสิเพราะว่าจะต้องใช้น้ํามากในถิ่นกันดานแห้งแล้งอย่างนี้ นะเป็นตุ่มน้ำใส่น้ำเต็มเพราะฉะนั้นมันก็นหนักมันก็นมาได้ยากก็ช้าหน่อยบอกโอ้ยท่านจะต้องไปกลัวอะไรอะตอนนี้เนะี่ดูสิเห็นไหมพวกเรามานี่ที่มาเนี่ยผ่านน้ำผ่านฝนมาข้างหน้านั้นมีจุดหนึ่งที่มันมีน้ำบริบูรณ์มีต้นไม้ขึ้นเขียวเฉาอุ่มไปหมดฝนก็ตกด้วยเนะ่ย อันั้นเราผ่านมาเนี่ท่านจึงเห็นว่าพวกเรานี่เปียกปอนกันไปหมดนะแม้แต่รถก็ยังมีน้ําหยดอยู่อะนนั้นท่านเอาไอ้พวกตุ่มน้ําตุ่มน้ำนทิ้งไปได้แล้วเนะี่ยไปเอาข้างหน้าที่นั่นะกวียนมันจะได้เบาแล้วก็ไปได้ไวเนะีไม่ต้องไปห่วงนะี่ยก็ไฟหัวหน้ากองกียน์นี้เห็นก็เออมันก็เห็นประจักษ์ชัดๆอยู่ในรถเขาเมื่อเขาเปียกอะไรต่างๆใช่ไหม ออแสดงว่ามันต้องมีน้ำแน่ๆอุดมสมบูรณ์ก็เลยเชื่อแล้วเลยบอกพวกพวกกันบอกว่าพวกเราย่าเอาไปเลยพวกตุ่มน้ำน้ำเนิ่มอะไรเหล่านี้ เ, ออเทมันจะให้หมดแล้วเปลียนมันจะได้เบาแล้วเราจะได้ไปถึงที่หมายไวๆก็เลยตกลงกันก็เทน้ําทิ้งกันหมดเลยแล้วก็เดินทางไปปรากฏว่าไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่เจอน้ําสักที ผลที่สุดก็เหน็ดเหนื่อยก็หมดแรงลงนอนกันไปไปมาตายหมดทนะเลทรายมันขาดน้ำก็ตายนะก็เลยโดนยักษ์อมนุษย์กินหมดเอาแล้วนะพลิพวกหนึ่งไปแล้วทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตวนะ์เวลาผ่านไปในเราครึ่งเดือนนะก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็นำกองเกวียนออกเดินทางบางังนะก็บรรทุกน้ำน้่อไะไรไปเยอะ ก็ได้สั่งความไว้กับพวกลูกน้องบอกว่านี่นะน้ํานี่ต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะเราเดินทางฝ่านผ่านถิ่นกันดานจะจัดการอะไรกันน้ําจะเททิ้งเรืออะไรเนี่ยต้องขออนุ ญ, ญาตก่อนแล้วก็พวกต้นไม้พืชพันธุ์นี่ในถิ่นที่เรายังไม่เคยไปจะกินจะอะไรแต่ะะรปรึกษากันก่อนนะแล้วก็ออกเดินทางไปออกเดินทางไปก็ไปถึงจุดบริเวณนั้น ที่ว่าเจออนมนุษย์เนี่ยอนมนุษย์มันก็เอาอีกมันก็มาหลอกอีกทําแบบเดียวกันอันนี้บอกว่าโอยท่านจะเอาไปทำไมน้ำเดิมหนักเปล่าเปล่าเดี๋ยวก็ถึงละทีนนนมีน้ํามากมายโอทิสัตถ์ก็บอกว่าหลักการมีอยู่ว่าถ้ายังไม่เห็นน้ําใหม่ยังไม่เททิ้งน้ําเก่าเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นน้ําใหม่ต่อหน้าต่อ ต, อตาแล้วเราจะยังไม่ยอมทิ้งน้ําเก่าใช่ไหม อ, อันนี้ก็เลยเดินทางต่อไปไม่ยอมฟังนะีอันนี้ฝ่ายลูกน้องพวกในกองเกวียนนั้นก็ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ได้เห็นเหตุการณ์นี้นีได้เห็นเกวียนที่สวนมาได้เห็นคนที่นั่งมาเปียกอะไรต่างๆก็เลยลงมาตามมาบพูดกับหัวหน้ากองว่านี่ท่านทําไมจะพากองเกวียนไปให้ลําบากเราก็เห็นอยู่ชัดๆว่า เนี่ยเกวียนที่สวนมาเนี่ยเขาผ่านมาในแดนที่มีน้ําปรากฏชัดๆอยู่นะเราอยจะไปให้เหน็ดเหนื่อยแบบนี้เลยก็ในเมื่อชัดเจนอย่างนี้เราก็เทน้ําทิ้งได้แล้วไปเอาข้างหน้าเถอะนะเอาไปแต่พอใช้ระหว่างที่จะไปถึงก่อนที่จะไปเจอน้ําใหม่เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมบอกก็จะต้องใช้หลักการที่ว่าอา้าวทีนี้ท่านไม่เชื่อขอประชุมก็เลย ให้พวกลูกน้องกองเกวียนทั้งหมดมาประชุมกันประชุมกันก็ถามตั้งคำถา ม, ถามหนึ่ที่เราจะออกเดินทางมาเนี่ยทางเนี่ยมีชื่อว่ากันดารแห้งแลง้งพวกท่านเคยได้ยินมีใครพูดบ้างไหมว่าทางเนี่ยมีแหล่งน้ามีฝนตกบอกไม่เคยได้ยินเอาแล้วนั่นหนึ่งสองบอกว่าธรรมดาฝนตกมันจะมีกระแสลมเยน็นไปได้ไกลเท่าไรยนะ พวกรุน้นองก็บอกว่ามันจะมีกระแสลมเย็นเวลาฝนตกอะไร ป, ประมาณสามยอดอ้อาวแล้วแล้วพวกท่านมาเนี่ยเรามากองเกวียนกันเนี่ยมีลุกมีใครรู้สึกว่ามีกระแสลมเย็นมาถึงบ่าวบ้างบอกไม่มีถามต่อไปอีกบอกว่าธรรมดาว่าฝนจะตกหรือมีฝนตกเนี่ยเราต้องเห็นเมฆบ้างเมฆนี่มันจะเห็นได้ไกลสักเท่าไหร่ ก็บอกเห็นได้ไกลในราวสมโยน์บอกใครได้เห็นเมฆบ้างไหมว่างั้นไม่ได้เห็นเพราะงั้นถามต่อไปบอกว่าแล้วฟ้าสายฟ้าฟ้าแลบอะไรต่างๆเนี่ยจะมองเห็นไกลประมาณเท่าไรบอกประมาณสี่ห้าโยต์บอกว่าใครได้เห็นบ้างไหมบอกไม่มีใครได้เห็นวรางั้นนะฮะแล้วก็ฟ้าร้องล่ะ ฟ้าร้องจะได้ยินไปไกลสักเท่าไรบอกประมาณหนึ่ ง, งสองโยต์บอกว่าใครได้ยินเสียงฟ้าร์องบ้างไหมบอกไม่ได้ยินบ้างอันเนี เ, เลยบอกว่าแล้วพวกเกวียนที่สวนทางเรามาแล้วมาชักชวนเราบอกเราว่ามีน้ําข้างหน้ า, าไม่ต้องบรรทุกน้ําไปให้หนักคนพวกนี้ท่านรู้จักบ้างไหมบอกไม่รู้จักบอกเพราะฉะนั้นอย่าได้ไว้ใจ พวกเราเดินทางกันต่อไปใช้หลักการที่ว่าไม่เห็นน้ำใหม่ไม่ทิ้ง น, น้ำเก่าเท่านั้นโลงก็เดินทางกันต่อไปนะจงกระทั่งว่าก็ไปเจอพวกกองเกวียนชุดก่อนที่เดินทางล่วงหน้าไปแล้วปรากฏว่าเหลือแต่กระดูกแล้วก็มีแต่กองเกวียนที่ทิ้งไว้แต่ว่าไม่มีคนที่จะใช้ประโยชน์ สินค้าก็มากมายเพราะนั่นจะทิ้งไปทำไมก็เลยขนของไม่ดีในเกวียนเขาตัวออกเอาของดีในเกวียนพวกนั้นมาใส่แล้วก็เกวียนไหนที่มันชำรุดคล่ำคล่าในระหว่างทางก็เป็นเรื่องเอาเกวียนดีๆในกองเกวียนที่มันทิ้งอยู่นั่นนะ่ะเอามาแทนแล้วก็พากาเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายแล้วขายของได้ราคา ได้เงินทองก็เดินทางกลับมานะนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นนิทานชาดกเรื่องนี้ก็จบนะนี่เป็นตัวอย่างของการที่ว่าให้มนุษย์นี่ดำเนินชีวิตโดยใช้ความคิดพิจรารณาไม่ใช่หลงไปง่ายๆ น, ะนี่เป็นคติในพุทธศาสนาะซึ่งมันจะเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นถึงแนวความคิดของพุทธต่างจากพวก เก่าอย่างไรนะมันเน้นเลยเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยนะฮะในชาดกนะเริ่มได้อยู่ในสมราฐสิการเลยนะไพร้อมกับที่เล่าอย่างนี้มันก็ทำให้ได้คติอื่นซ้อนเข้ามาด้วยคือคนสมัยนั้นจะเชื่อในเรื่องเทวดาเรื่องผีสางเรื่องอมนุษย์ใช่มมาโดนบันดาลต่างๆในเรื่องนี้ก็จะได้ให้เห็นนอกจากว่าให้รู้จักคิดแล้วก็เอาไอ้เรื่องคติความเชื่อเรื่องการโดนบันดาลเนี่ยเอามาสอ น, สอนซ้อนซะอีกที ว่าไอ้ที่พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติมาบันดาลให้เนี่ ย, ย่าไปไว้ใจนะบางทีมันก็ามาเนลมิตในสิ่งที่มันเป็นโทษกับเราใช่ไหมไอ้พวกมนุษย์เนี่ยเออเดี๋ยวจะไปนึกว่า เ, เราต้องอ้อนวอนท่านมีอำนาจนะแล้วก็ให้ท่านโปรดนะอยู่ด้วยความเชื่อหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น่าไปไว้ใจใพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในบางทีมันก็หลอกเรานะว่ากันใช่ไหมนี่ก็ซออได้ทีเดียวสองอันเลยสอนทางคติความเชื่อเก่าอย่าได้ไปหลงไว้บางใจและให้รู้จักคิดรู้จักใช้การพิจรารณานี่ก็เป็นตัวอย่างของโยนิโสมนสิการนะฮะนโยนิโสมนสิการนี่ก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินชีวิตจะทำให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองได้ด้วยแล้วก็ดาเนินชีวิตอย่างได้ผลดีด้วยเป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและก็หมู่คณะกก่ชุมชนแก่สังคมนิการใช้โยนิสมรติการในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็อย่างที่ว่าแล้วคือรู้จักตั้งคำถามถามว่าคืออะไรเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรด้านไหนดีด้านไหนเสียเพราะว่าการพิจารณาในเรื่องโยนิสมรติการนี้ก็ต้องการรู้ความจริงอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างก็รู้จัก หาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้โยนิสมรจิการก็เลยมีวิธีเป็นวิธีคิดหลายแบบนะซึ่งเคยได้รวบรวมไว้มีประมาณสิบวิธีด้วยกันในบรรดาวิธีเหล่านั้นวิธีที่สำคัญก็คือวิธีที่ว่าแยกแยะวิเคราะห์จากพระพุทธเจ้าเนี่ยจะศึกษาชีวิตเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีวิธีคิดก็ตัน มันความคิดมันก็ไม่เดินพระพุทธเจ้าก็แยกชีวิตออกเป็นส่วนประกอบอ้าวเกิดจากนามและรูปนี่เป็นสองด้านนี่ยด้านกายด้านใจอ้าวแล้วด้านกายแยกยังไงแยกกันไปเป็นมหาภูตารูปอุปาทายรูปเป็นมหาภูตารูปสี่อุปาทายรูปยี่สี่โอแยกกว่าสี่ยี่อุปาทายรูปยี่สี่แยกต่อไปอีกนะแยกแยกแยกแยกแยกไปแยกวิเคราะห์ไปเรื่อย ทีนี้ด้านจิตใจล่ะแยกอ้าวด้านจิตใจมีเป็นนามธรรมแยกได้เป็นสี่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาแยกออกไปสัญญาแยกออกไปสังขารวิญญาณก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นวิธีที่จะหาความจรงิงเราไปเจออะไรก็วิธีหนึ่งก็คือแยกแยะส่วนประกอบออกมามันก็เข้าใจสิ่งนั้นเด็กนี่ก็มีแนวโน้มอย่างนี้อยู่การศึกษาก็จะมาสอนให้รู้จักแยกว่าได้รถมาคันหนึ่งก็มาแยกออกใช่ไหม รถเล่นแตแ่เด็กบางคนชอบแยกเลยรถพังหมดเลยแต่ว่ามันก็มีเป็นวิธีเจริญปัญญาอย่างหนึ่งนะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือแยกแยะวิเคราะห์หาความจริงหาส่วนประกอบทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสืบสาวเหตุปัจจัยไอ้แยกแยะวิเคราะห์ก็แยกแยะเป็นส่วนประกอบทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสืบค้นหาเหตุปัจจัยว่า ไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นยาอย่างไรก็สืบไปเรื่อยเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้แล้วที่เป็นอย่างนั้นล่ะก่อนนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรก็สืบกันเรื่อยไปค้นหาเหตุปัจจัยไปเรื่อยนี่ก็เป็นการที่พัฒนาในเรื่องความคิดแล้วก็ยังมีวิธีอื่นให้เห็นลักษณะความจริงของมันว่ามันมีการเป็นไปอย่างไรให้เห็นว่าอ๋อมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไม่ได้อยู่นิ่งน ดังนั้นเมื่อมันการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงมายงก์ไอความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สืบค้นออมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนี่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอ้าวถ้าอย่างนั้นผลที่จะเกิดขึ้นนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยเราก็ต้องไปสืบค้นเหตุปัจจัยให้ได้ต้องการผลอย่างไรก็ทําให้เกิดเหตุปัจจัยอย่างนั้น จนกระทั่งว่าเราเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยได้ปัจจัยสําคัญอยู่ที่ตัวเราด้วยเพราะเป็นปัจจัยพิเศษที่มีปัญญานั้นด้วยปัจจัยพิเศษที่มีปัญญานี้ก็เข้าไปร่วมในกระบวนการเหตุปัจจัยก็ไปกันเหตุปัจจัยไม่ดีไม่พึงประสงค์แล้วไปเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนเหตุปัจจัยที่ดีที่พึงประสงค์ก็เกิดผลที่ต้องการได้ในความคิดก็เดินไปนะก็เชื่อมโยงจาก โยนิโสมนสิการในด้านความจริงมาสู่โยนิโสมนสิการประเภทใช้ประโยชนนะ์เอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแล้วก็การมองความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่านะในระดับสมมติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่เราจะใช้ประโยชน์เราจะไปวินิจฉัยอะไรดีอะไรชั่วนะเราไปบอกว่าดีหรือชั่วเลยเลยไปมองด้านเดียวแง่เดียวหรือว่าแม้แต่ส่วนมากก็ไม่ถูก มนนจะต้องมองให้ตรงตามความจริงพอดีความจริงอ่ะพอดีความจริงยังไงสิ่งทั้งหลายมีหลายด้านเนี่ก็ต้องว่ากันไปนเลยด้านนี้ดีด้านนั้นไม่ดีด้านนั้นถูกต้องด้านนั้นไม่ถูกแยกไปอย่างพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่ามีคนมาพูดวแบบ่าเออในคนนี้เนะี่ยซึ่งเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยเป็นคนดีเนะี่ยรู้จักธรรมะกินในคนนี้ไม่ดีเนะี่ยประพฤติไม่ดีพระพุทธเจ้าก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ า, อางนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าดีไม่ดีมาแยกกันว่าในคนนี้มีแง่ที่จะพิจารว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างอา้อาวเช่นว่ายกออกมาเลยหนึ่งในแง่ของการแสวงหาทรัพย์เขาหามาได้อย่างไรเนะีเขาหามาโดยสุจริตชอบธรรมหรือหามาได้โดยวิธีร้ายกดขี่ข่มเหงผู้อื่นนั่นแหละนะอา้าวก็ดูว่าในการแสวงหาทรัพย์ในคนนี้ก็วินิจฉัยได้ว่าในแง่หาทรัพย์ เขาบกพร่องที่ว่าหามาได้วิธีไม่ชอบเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบหรือว่าถ้าเขาหามาได้วิธีที่ดีเราก็บอกเออในแง่วิธีหาทรัพย์เขาดีว่าไงได้ไปแง่สองเขาได้ทรัพย์มาแล้วเขาปฏิบัติอย่างไรเขาหวงแขนตรนีขี้เหนียวอันนี้ไม่ดีแล้วแสวงหาดีแต่ว่าในแง่เก็บรักษาไม่ดีบกพร่อง อ, อ, อีกคนหนึ่งนั้นรู้จัก เอามาใช้ประโยชน์รู้จักเก็บไว้โดยมีเหตุผลแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เอามาเลี้ยงดูชีวิตตัวเองครอบครัวนคนในความรับผิดชอบให้มีความสุขแต่ในแง่นี้ถ้าหากว่าคนไหนขี้เหนียวตัวเองก็ไม่อยู่ให้มันสมควรกันทรัพย์สินที่มีมาลาบากลาบนไม่เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขแสดงว่าบกพร่อง ถ้าใช้จ่ายให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุขเออแสดงว่าใช้ได้ดีไปแง่หนึ่งได้ไหมอ้าวทีนี้ต่อไปในแง่ของการทําประโยชน์กับสังคมกับเพื่อนมนุษย์ล่ะเอาทรัพย์นี้ไปใช้ทําสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์อะไรหรือเปล่าเนะีถ้าไปใช้ก็ดีในแง่นั้นอีกเนะีแล้วก็ถ้าไม่ใช้ไม่เกื้อกูลต่อสังคมก็บกพร่องในแง่นั้นอ้าวไปอันอยังอีกต่อไปและในการที่เขาปฏิบตัติต่อทรัพย์สินเงินทองนี่เนะ่ย จิตใจเขาเป็นยังไงจิตใจเขาองมีความกลุ่มกังวลมีแต่ความเครียดมีแต่ความเศร้าหมองมีทุกข์เพราะทรัพ์นี้จิตใจเป็นธาตของทรัพนี่มีอะไรเกิดขึ้นกับทรัพ์ก็เป็นทุกข์รู้สึกว่ามีปัญหาจิตใจมากหรือว่าเขาเปนจิตใจเป็นอิสระรู้ความมุ่งหมายองการมีทรัพมีเพื่ออะไรใช้จ่ายมันให้เป็นประโยชน์แล้วก็ จิตใจก็ไม่ไปมีปัญหาเพราะเรื่องทรัพย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็น น, ยนายของทรัพย์ไม่เป็นทาสของทรัพย์เออนี่บกพร่องไหมแง่นี้แง่นี้ได้ไหมว่ากันไปเป็นดันดแล้วก็มาแยกว่าเด็ในคนนี้นี่ดีหนึ่งส่วนหรือดีสองส่วนเสียสองส่วนเสียหนึ่งส่วนหรือเสียสมส่วนหรือได้ดีสส่วนหรือหรือดีทั้งสส่วนเลยว่ากันไปอย่างนีน้นี่พระพุทธเจ้าใช้วิธีอย่างนี้ น, นี่เรียกว่าวิพัฒชว่าที่พูดมาเมื่อวาน ก็เป็นส่วนหนึ่งของอยู่ในสงฆ์รัศการนะฉะ น, นั้นอะไรแต่ออไรนี่มันจะเป็นความพอดีกับความจริงเลยไม่ใช่เหมารวมด้วยการสรุปของตัวเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีหลายด้านนี่เราก็ต้องว่าเป็นด้า น, ดานแดน่นนี้ดีด้าน น, า น, นี้ไม่ดมีถูกต้องไม่ถูกต้องแยกกันไปนะแล้วมันจะทําให้การพูดเนี่ยตรงกับความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้วยเพราะเราต้องการทําให้ดียิ่งขึ้นเพราะเราแยกได้แล้วนี่เราจะไม่พอดีไม่ไป ภูมิใจหลงแล้วเลยว่าโอ้ดีแล้วนะไว่า ไ, ไปสรุปว่าดีแล้วก็เลยไม่ต้องไปปรับปรุงหรือว่าเสียก็เลยไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนอีกพอเราแยกได้ส่วนไหนดีส่วนไหนหย่อนส่วนไหนบกพร่องมันเป็นประโยชน์กับการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงใช่ไ เ, เราดีแล้วแต่เราก็ยังไม่ใช่ดีหมดเรายังมีหย่อนข้อนีออ้คนที่รู้จักใช้วิพัฒชวาฒนรู้จักใช้โย น, นิสูมนติกานนี่แก้มิแต่ปรับปรุง ไอ้ส่วนที่ดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นรักษาไว้ตามหลักสัมมาประธานหรือสัมมาวายามะใช่ะทำให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วส่วนที่ยังบกพร่องก็จะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นก็มีทางที่จะเกิดความสมบูรณ์นี่ก็เป็นหลักเรื่องการที่ว่าทั้งได้ความจริงด้วยทั้งได้ประโยชน์ด้วยตกลงว่าวิธีคิดนี่มีเยอะนะ รู้หลักการรู้ความมุ่งหมายรู้คุณรู้โทษรู้จุดอ่อนจุดแข็งและรู้ทางแก้ไขวิธีคิดมีมากมายอันนี้ผมยกมาเป็นตัวอย่างแต่ว่าสรุปเอาเป็นว่ามีสองก็แล้วกันจะมีวิธีคิดหลายอย่างแต่รวมแล้วก็คือหนึ่งก็คือหาความจริงคิดให้มันได้ความจริงสองคิดให้มันได้ประโยชน์ คิดได้ประโยชน์นี่ไม่เหมือนกับคิดในแง่ดีนะคิดในแง่ดีนี่บางทีหลอกตัวเองให้ยิ้มกลิ่มไปยังไงแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาหลอกตัวเองเพราะฉนั้นต้องระวังมองในแง่ดีกับมองให้เห็นประโยชน์มันไม่เหมือนกันคนที่ว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็มาเหมือนกับมองให้เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นเพียงหลอกตัวเองให้สบายใจแล้วเสร็จแล้วก็เลย ไม่ได้สัมผัสกับความจริงแท้ไม่ได้แก้ไขปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นมองแงด่ดีนี่พุทธศาสนายังไม่ยอมรับต้องมองสองแบบเนี่ยหนึ่งมองให้เห็นความจริงสองมองหาประโยชน์ให้ได้อันนี้แม้แต่สิ่งที่มันไม่ดีที่ชาวโลกเขาติเตียนกันบางทีมันก็เป็นไม่ดีในระดับสมมติเท่านั้นเองมนุษย์ไปตกลงกันว่าไม่ดีหรือแม้แต่มันไม่เกือ้อกูลโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้ามนุษย์รู้จักคิดรู้จักพิจารณาก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้ใช่ไหม นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มนุษย์ถ้ารู้จักคิดพิจารณาก็เลยหาประโยชน์ได้หมดนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างเช่นคำด่าของเขาก็ต้องฝึกว่าทำไงจะหาประโยชน์จะคำด่าคำติเตียนเขาให้ได้ก็จะเป็นนักฝึกตนเพราะงั้นเราก็จะได้ไปโมแต่ไปกลุ่มใจไปโกรธเขาจิตใจก็เศร้าหมองมีความทุกข์ใช่ก็แทนที่จะไปโมทุกอะไรก็ไปคิดหาทาง เอาประโยชน์จากคาด่าเขาซะใช่ไหมพระเจ้านี่ให้รู้จักหาประโยชน์ได้ไหมจต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความตายคนเราพอนึกถึงความตายใจมันก็ไม่ดีใจมันก็กลัวกลัวก็เศร้าหมองหรือเมื่อไงก็ใจหดหู่เมื่อไงก็เศร้าไม่กลัวก็เศร้าแหละนึกถึงความตายเนะี่ยสองอย่างถ้าไม่งั้นก็ได้ยินข่าวคนที่เรา ไม่ชอบเป็นศัตรูตายดีใจเลยใช่ไหมนี่ไปอีกตรงข้ามในบอ่อเทวทเจ้าก็ตรัสว่านี่เป็นอายนิสงสิกาลเพราะฉะนั้นให้รู้จักหาประโยชน์หนึ่งพอนึกถึงความตายก็โยงไปหาความจริงของธรรมชาติสังขารเห็นความจริงเกิดปัญญาเนี่ยหนึ่งละได้ปัญญาสองก็ได้ประโยชน์เน่ยไหนไหนมันก็เป็นสิ่งที่มีแน่นอนแล้วเราจะไปเลี่ยงอย่าไปกลัวอย่าไปหนีมันเลยทาให้ใจเศร้าหมองปเปล่า ก็มามองให้มันได้ประโยชน์มองเป็นเครื่องกระตุ้นเราให้เกิดความไม่ประมาทใช่ไหมแต่เร่งพลัดทำหน้าที่ของตัวเองเพราะนั้นพระชนัม์พระพุทธเจ้าก็ให้เอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแม้แต่ความตายใช่ไหมนี่โยนิสมรติการก็เป็นประโยชน์มากตกลงว่าเรื่องโยนิสมรติการนี่ก็คิดว่าพอสมควรนะสรุปได้เป็นสองประการเนี้แล้วใช้เป็นหลักในการมองสิ่งต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่ว่าย่ามองตามชอบใจไม่ชอบใจมองตามเหตุปัจจัยแค่นี้ก็เข้าอยู่ในโสมนสิการแล้วมันเป็นจุดเริ่มของการที่จะทำให้เกิดการคิดคน้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาได้แล้วโยนิโสมนสิการโดยส ร, สรุปก็มีสองอย่างที่ว่าไปแล้วคือการมองการคิดพิจารณาในแง่ที่จะให้เห็นความจริงเข้าถึงความจริงอย่างหนึ่ง และการมองการพิจารณาในแง่ที่จะทำให้ได้ประโยชน์จากสิ่งทุกอย่างนะให้เห็นประโยชน์หรือให้เป็นประโยชน์หรือหาประโยชน์ให้ได้อีกอย่างหนึ่งนะินยมี่สมราติการก็ได้บอกแล้วว่ามันเป็นหลักการที่คู่กันกับเรื่องของปรโตโคสัตนตะ์ปรโตโขสัตตนี่เป็นเรื่องของเสียงอิทธิพลหรือคาบอกเล่าแนะนำจากภายนอกมาช่วยให้เรารู้เข้าใจ แต่โยนิสงฆ์ริจการนี่เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถหาความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเองนี่ในการที่จะให้การศึกษาแก่เด็กๆในเมื่อจัดการเป็นสังคมเป็นกิจกรรมใหญ่คือเป็นกิจการเลยในหมู่มนุษย์เนี่ยก็เลยว่าเราก็ให้ความสนใจที่จะให้เด็กพัฒนาขึ้นอย่างถูกต้องอันนี้จะทำยังไงนในเมื่อเด็กส่วนใหญ่ ก็อย่างที่ว่าแล้วคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยประโตคสระปรตโขคสระที่ดีก็มาจากพวกที่ตั้งใจทำหน้าที่ช่วยเขาช่วยเด็กๆเหล่านี้ก็คือคนที่เป็นกัลยาณมิตรเช่นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่พระสงฆ์สื่อมวลชนผู้บริหารประเทศชาติอะไรพวกนี้นะก็ต้องมาทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรพยายามที่จะหาปรตโขคสระที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ให้ความจริงที่จะสร้างสรรค์ มาให้กับเด็กๆ ต, ตั้งใจอันนี้ถ้าสังคมยังทําหน้าที่นี้อยู่ในสังคมนี้ค่อนข้างปลอดภัยแต่เวลานี้สังคมนี้แย่อย่างยิ่งเลยประโตโคสานีหาดียากโดยเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารประเทศชาติก็ไม่สามารถจะมาช่วยอันนี้ได้พ่อแม่ก็ไม่สามารถชักนําเด็กเข้ามาสู่ประโตโ ค, รโครสระที่ดี บางีก็ได้แต่ตามใจสนองตันหาของเด็กปลุกเราตันหายิ่งขึ้นไปหรือเป็นศัตรูขัดใจกับเด็กอันน่ยพระสงฆ์บางทีก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อีกนะโดยเฉพาะก็สื่อมวลชนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนำเอาประตโตโฆษะาที่เป็นโทษที่เสริมโมหะหลอกทำให้เด็กนี่ไม่สามารถเห็นความจริงนะแม้แต่เรื่องโฆษณาต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของการที่ หลอกลวงเยอะมาให้ไม่เห็นความจริงแล้วก็ไม่ชี้แนะในการที่จะเอาประโยชน์จากสิ่งต่างๆพ่อแม่ก็ถ้าหากว่าเก่งก็จะมาปลูกเล่าอยู่ในสมรจิการให้เด็กนี่เก่งจนกระทั่งว่ารับมือกับยุคสมัยที่มันมีปรัโตโศกสะที่แย่ได้ถ้าเด็กไมปอยู่ในสมรจิการดีเด็กก็จะสามารถเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้รายการไม่ดีอะไรต่างๆมองให้เป็นก็ได้ประโยชน์หมด รายการที่ชั่วร้ายที่สุดถ้ามีโยนิสมรจิการก็สามารถเอาประโยชน์ได้แต่พ่อแม่ก็ต้องมีโยนิสมรจิการก่อนแล้วก็แนะกับเด็กใช่ไหมให้เด็กรู้จักมองรู้จักพิจารณาแล้วเปลี่ยนพลิกผันสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีไปได้เพราะฉะนั้นในการที่จะให้การศึกษาแก่เด็กๆ ก, ก็ต้องระ ด, ดมกำลังจากทุกฝ่ายมาช่วยกันนะไม่เฉพาะจะไปปัดให้เป็นหน้าที่ของครูเพราะนั้นผู้ที่มี อิที่ผลมากที่สุดในปัจจุบันก็สื่อมวลชนเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้และถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแล้ก็เลยว่าเราก็เอาหลักสองหลักนี้มาประสานกันซะคือหลักปรัโตโคคศกับโยนิสมุนราิการเราก็บอกว่าสังคมนี้หรือผู้รับผิดชอบตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นไปผู้ใหญ่สื่อมวลชนเนี่ยควรจะจัดหาปรัโตโตคะที่ดีให้แกับเด็กนะ หาข่าวสารข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางสังคมข่าวสารคําแนะนําที่มันดีให้กับเด็กให้เขาได้ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในด้านหนึ่งแล้วนะจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กแต่อีกด้านหนึ่งก็คือในตัวเด็กเราก็ต้องไปพัฒนาให้เขาเกิดโยนิโสโอมนิการที่จะสามารถเอาประโยชน์ได้หาความจริงได้จากสิ่งที่เลวที่สุดใช่ไหมถ้าได้อย่างสองอันนี้มาประสานกันก็สมบูรณ์ เพราะเราจะไปหวังได้ยังไงเราเองนะั้เราพยายามจัดให้ดีที่สุดให้เด็กได้พบสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในชีวิตความเป็นจริงแน่นอนแล้วเด็กจะต้องไปเจอตั้งสิ่งที่ร้ายและดีเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมในตัวเด็กให้มีความสามารถว่าทําไงจะให้เด็กของเราเนี่ยไปสามารถรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีโดยท่าทีที่ถูกต้องหาความจริงหาความรู้ได้หาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนั้นนะฮะอ้าวไปอ่านว่าได้หลักการขื้นไหมกานว่าในการให้การศึกษา ของหมู่ชนนี้ในการฝึกอบรมพัฒนาเด็กก็เอาสองอย่างนี้มาประสานกันคือ 1. เราทำหน้าที่เป็นกรรยานามิตรจัดสรรประโตโคลสะเช่นข่าวสารข้อมูลที่ดีที่สุดให้แก่เด็ก 2. พร้อมกันนั้นในตัวเด็กเราก็พัฒนาให้เขาพัฒนาให้เขามีโยนิสมริการที่จะสามารถหาความรู้หาความจริงและหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เร็วที่สุด แม้แต่ข่าวสารข้อมูลที่เลวร้ายก็ให้หาประโยชน์ได้นะถ้าได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและสังคมนี้วันนี้ก็พูดมายาวนานแล้วนะครับก็คิดว่าพอ <c oughs> ทีนี้มีอะไรสงสัยหรือเปล่าเลว่อน เรืพอแล้วท่านเขาบอกว่าจริงๆมองได้คุณพระพิจิตรกำพานโ่งมา 2-3 ข้อที่ติงใจอยู่ในนั้ะก็คือว่าท่านแยกคุณสมพตที่ส่งเสริมจริยธรรมขพระเิตที่ส่งเสริมทางศีลธรเรืพอแต่ว่ามันเป็นภาษายากไนหน่อยก็อย่างที่พูดเมื่อกี้หนึ่งให้เห็นความจริงสองให้เห็นประโยชน์อ่าเรืพอเอาเอาแค่อันนี้ก่อนนะคะเรื ได้พอใช่นี่ปัญหาที่หนูเจอเลยจากการที่ที่เข้าไปไปให้คนเนี่ยนแบบว่าคิดตามางเช่นการวิีคเราจริยธรรมเนี่ยนะหนูได้เห็นว่าหลายคนเนี่ยามีความเชื่อของเาช่นเขาจะได้กรองของท่านจุคุณที่เขียนบอกว่าเขามีดีเขามีชั่วบ้างอรของเามาอยู่เนี่ยนะะ เลยเแต่แต e ่ว่าพอนี้ไม่ตาเสร็จนะตัวเองเข้าไปสัมผัสทั้งทั้งที่โลกก็มีอีกส่วนเข้าไปยาผมปลือยไม่มองอีกส่วเลยเหแล้วออกแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายใจก็ออกกลับมาบทหรืว่าเอ๊ะทำไมจะอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านจ้าคุณก็บอกว่าเราน่าจะมองสองได้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะไม่ก็มองสองได้เช่นจะบอกว่าอย่าพูดไปอย่าไม่สบายใจกันเอาสามัคคีดีกว่าเสร็จแล้วก็พอสามัคคีในหมู่ข้าพดก็เอาคนซึ่งซึ่งมีทั้ง ท่องแง่ที่ดีและไม่ดีแต่ว่าไม่ดีเยอะเนี่ยก็มาเป็นคนในระดับชุนหกคอมันก็สร้างปัญหาเยอะเลยที่ท่านทุกท่านก็บอกว่าก็มันก็จะมีวิธีคิดอยู่อันหนึงแล้วก็จะอ้างว่านี่คือการคิดเล่าขู่สนเล่าขู่สก็คือมองในเนี้ยดีแต่มันไม่ได้มองตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อกี้ท่านทุกท่าบอกว่าอันนี้มันมีจุดเสียคือจริงๆให้ไปอยู่ตรงแค่แง่ดีแต่ให้มองหาประโยชน์ใช่เลยไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ทีนี้เรื่องมองหาประโยชน์มันจะทํำยังไงที่ว่ามองแง่ แล้วมองหาประโยชน์เพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่าการที่ของที่ไม่ดีเนี่ยนะฮะแล้วมาพลิกหายร้ายเป็นทัศนาถูกเพราะในการใช้จิตใจจริงเนี่ยต้องคนแข็งแรงมากถลงจะทำถ้ถ้าคนไม่แข็งแรงจะไม่มีวันกล้าก็้าไปยูกมันจะนั่งโบนแล้วก็มองไม่เห็นทางออกเพจะไม่ดีที่ผู้บอกท่านเนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะไปมองหาประโยชน์แม้กระทั่งสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายกลายเป็นดีเนี่ยบางครั้งเราใช้คําถามเขาไปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมองในแง่ไม่ดี ไม่มองในแน่ดีซิเขาจะมองไม่ออกเลยบางครัที่เขาเขาไม่ได้ย Th ังมีชอบชังเยอะนะเพราะฉะนั้นหนูจะพบว่าคนแข็งแรงเนี้ยจึิงจะมองเหตุการณ์อะในชีวิตโดยสามารถเห็นจุดดีเป็นการเรียนรู้ได้ส่วนใหจะมองไม่ออกก็จะคิดว่าถ้ามองไม่ออกก็มองบอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์อันนั้นนะเราจะพบอย่างนั้นที่เป็นประสบการณ์จริงว่าที่เป็นพยามฝึกทีนี้อีกส่วนหนึ่งของการพยามฝึกในในเรื่องของการที่เราประสบเนี่ยนะ โดยเฉพาะว่าคิดเลากสะทวงที่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะพยายามปลอบใจว่าเราเป็นพุทธนะเรามี็ตารามองในแง่ดีแต่จะไม่เข้าใกล้ความจริงนะอย่างเช่นบางคนนก็จะบอกว่าเนี่ยโอ้ยต้องลูกพี่ลูกน้อเอย่าทะเลาะกันเลยนะเขาก็มีดีตรงนี้แล้วก็หยุดแต่ว่าส่วนไม่ดีของเขาเนี่ยจะโกบโดแล้วพอมันมีเรื่องขึ้นมาก็จะมาบ่นแต่จะไม่แก้ปัญหาในการหาไปอยเดี๋ยวทีนี้ผมว่าต้องหยุดการคิดอูกแค่เล่ากระทรแล้วก็มองในแง่ของการปลอบใจนั้นเราจะ ทำอยางไรหรือว่าหรือว่ามันมีความแตกต่างตรงไหนระหว่างการคิดในแง่ดีแล้วก็หยุดเพื่กปอบตัวเองกับการคิดหาประโยชน์เร้ก็อันที่หนึ่งก็คือต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกบางทีมันก็ทําให้สําเร็จใช่ไหมแต่ทําให้สําเร็จมันก็ต้องฝึกทํำบ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กๆ หละเรื่องฝึกสองก็คือว่าการแยกระหว่างมองในแง่ดีกับมองในแง่หาประโยชน์เนี่ยนะเรืมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้อ น, นี้ถ้าเราไปมองแงด่ดีบางทีหลอกลวงตัวเองอะได้เสร็จแล้วก็เกิดผลร้ายใช่ไหมมันเพียงแต่ว่าการมองในแง่ดีก็กลายเป็นเพียงเครื่องกล่อมเอาละสีเข้าเข้าหลักการกล่อมเป็นประมาทไปใช่ไหม <S <S กล่อมใจสบายจะได้ไม่ต้องไปทุกร้อนเพะนั้นต้องระวังเรื่องการมองในแง่ดีเพราะนั้นถ้าจึงมองให้ครบ ั้งแงด่ดีแง่เสียมีเสียเท่าไรดีเท่าไรแล้วก็ส่วนที่เสียจะได้แก้ไขไม่ใช่ทิ้งใช่ไหมคือเมื่อเราดูได้ครบเนี่ยเราจะได้ไปแก้ส่วนที่มันยังบกพร่องให้มันได้ดีครบทุกด้านแล้วมันจะได้สมบูรณ์ทีนี้ในเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันก็ต้องมามียูนิสโอมราชการหลายด้านอีกไม่ใช่ไปมองเฉพาะเขาแล้วมองตัวเราอีกแล้วสิว่าในกรณีนี้เราเนี่ย มีความสามารถไหมเช่นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าอา้าวคนพานะี่ยไม่คนครบน ะ, นะแล้วก็ตรัสว่านอกจากว่าครบเพื่อช่วยเหลือใช่ไหมอย่างนี้เอาแล้วไปอ่านว่าเราครบเพื่อช่วยเหลือถูกไหมเร า, า จ, จะมองครบเพื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสมัยกาดดูตัวเองว่าไหวไหมเสร็จแล้วก็เลยเสร็จเลยไปช่วยเขาตัวเองก็เลยแย่ไปเลยใช่ไหมเนี่ยอาจารนัน ก็ต้องมาดูว่าเออเราจะไหวไหมเรามีกําลังพอน่ยไม่จะไม่ให้ถูกครอบงาําหรือถูกชักจูงไปซะเองอะไรงี้ใช่ไหมเลยพอเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหลายด้านเพราะฉะนั้นอยู่ในสมรจิการนี่บางทีไปใช้กับไอ้ตัวเป้าหมายเฉพาะอันเดียวแล้วก็เลยไม่ได้ดูองค์ประกอบอื่นที่จะต้องดูด้วยต้องดูองค์ประกอบฝ่ายเขาฝ่ายเราอีกใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเขากับเรา เพราะาในกรณีบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเราก็ต้องดูว่าเออในคนนี้ที่มีส่วนดีส่วนเสียอย่างเงี้ยเมื่อเอาเข้ามาทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนหมู่มากมันจะได้ผลดีหรือผลเสียใช่ไหมเลยบอนนี่เอาอีกเลยเข้าไปดูาพปฏิบัติเนี่ยชาวพุทธจะรู้เรื่องสมาธิมากรู้เรื่องเมตตามากเลย เลยแล้วหลังจากนั้นคุณจะมองความจริงงไคิดไม่ออกไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเลยงันนี่แลนะ้เรืองขอเพศจริยธรรมี่หนูว่าเราพอมีนะแต่พอประเภทที่คิดให้เป็นเท่าสู่จริธรรมที่มันจะต้องเอาความคิดประเภทอื่นมาประกอบด้วยเนี่ยมันจะหยุดด้านปัญญาแทนไม่เคยได้ฝึกกันอ้าวก็สังคมไทยนี่ก็เป็นสังคมเทววัต มันก็ขัดแย้งกันในตัวเทเลาว่าในปกตินี่ตามหลักการที่เขาว่ากันมาโดยประเพณีถือว่าเน้นปัญญาใช่ไหมฝ่ายมหายานเน้นการุณาแต่ว่าในสังคมไทยองก็เน้นเมตตากรุณากลับไม่เน้นปัญญาใช่ไหมถา้าที่เป็นเทเลาวาจะจะ่า สนที่เป็นขอ ง, อองรแบบพับาพารบอว่านั้นเป็นเรื่องของการวิจารณ์ไม่ดีจะบาเจตนามันมุ่งหาความจริงแล้วก็เพื่อจะได้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นผลดีต่อไปเจตนามันก็ดีนี่ใช่ไหมเรือบอยดะนั้นก็ต้องให้คาแนะนาให้ความรู้กันใหม่ เรามาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็อย่างที่ว่าแหละเวลาเอาคนที่ว่ามีปัญหาเข้ามาในกิจการขอาส่วนรวมมันก็ต้องพิจารณาทุกอย่างใช่ไหมทุกแง่แล้วก็ดูว่าส่วนที่เขาดีก็เอาละดีใช้ประโยชน์ได้แต่ส่วนที่ไม่ดีนี่แก้ไขได้ไหมแล้วก็มันจะมีผลลบต่อ ส่วนรวมมากเกินไปจนกระทั่งยอมรับไม่ได้ก็ต้องไม่เอาอันนี้ยว่านี้ไม่อย่างสมมติยกตัวอย่างเรามีปัญหามากไม่ว่างจิสมัีเด็กเนี่ยางเราถามว่าอาชีพนีไก็บอกไม่ดีแต่ก็มองัมองอีกแงดีคือได้กระตันยูถามบอกว่าแล้วสรุปรวมแล้วเราจะแก้ส่วนที่ไม่ดีกับแรักษาส่วนที่ดีนกระตัูวีอ่ก็บอกไม่อ่ะก็อันนี้มันได้กระตันดูแล้ว้าามันลผก่ลไปได้เกิดแสดงว่า เลยบอนก็เป็นอ่าก็นั่นแหละมองปฏิคลุล ม, มองปฏิคุมก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นวิพัชวาวิพัชชาวันต้องแยกแยะได้หมด อ่าแน่นอนอ่มันรู้วาแหละการองที่อวิธีที่พระานก็บอกเอ๊ะมันคล้ายบแยกแยองค์ประกอบนะจก็นั่นแหละในพุทธธรรมก็บอกไว้ไงบอกที่จริงนะวิภีวิภัชวานนะ่ะคลุมแทบหมดทุกข้อเลยอบอกไวนน้ น, นั้นแล้วทีนี้ว่าต้องการกระจายเพื่อจะให้เห็นแนง่มุมเยอะๆเลยพรออใช่เลอยพรเราวิภัชวานจึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพระพุทธเจ้าเลยไง เพราะว่ามันคลุมวิธีอื่นไปด้วยเราเ้าพยายามจะเน้นที่วิธีคิดเนี่ยเรบพีวิธีคิดวกเน้นแต่ตัวไอสมาธิอย่างเดียว เลื่อ่าจะใช้แต่กำลังของสมาธิไม่ได้ก็เลยพูดกันเนี่ยนะฮะในเรื่องของเดี๋ยวก่นและผมกลังจะพูดว่าหน้ากากมนหายไปมนจะมีอีกคิดางทจะจะหายไปจากหง้านบนกอก่อน่เงคเามีความเชื่อที่ทุนบอกว่าถ้าเรามีคะเราไม่คิดแบบชอบชังแล้วเราดูดตรงนั้นได้แ้วมันจะมีอยู่อันหนึ่งว่ากอง ความคิดเดิมความเชื่อของเราเรื่องนี้ง ม, ม, มากต่อการใช้ประโยชน์สยยุดเรื่องพอใจก็ไม่เชื่ออนาตา ให้คิดในแง่ของทฤษฎีพัฒนาการให้เขาถามตัวเองเรื่อนในที่สุดมันก็จะเห็นตัวรอนเซลล์เอนะฮะแต่ประวติไม่ไปยังไงเราว่ายังไปถึงตัวเซลล์อยู่นั้นเพราะว่าของข้เป้าหมายสูงสุดคือการใช้ประโยชน์จากตัวตนออคชวเซชันและหลังจากนั้นเป็นอะไรเขาก็ไม่เชื่อก็ของเรามันเป็นการแยกการพูดถึงความจริงของธรรมชาตินั่นเรื่องอนัตตาเนี่ย ทีนี้เรื่องของการปฏิบัติการในชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกมนุษย์มันก็เป็นเรื่องของอัตตาอันนี้พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธอัตตาที่พุทธศาสนาพูดมากคําสอนเรื่องการใช้ชีวิตการเป็นอยู่นี่มีแต่เรื่องตัวตนเท่านั้นแหละอัตตาเหตุโนนาโทเป็นต้นเนี่ยมัเป็นเรื่องของการที่พูดถึงสาสาวาตามธรรมชาติ มันก็เป็นเรื่องของอนัตตาเวลาพูดไปมันก็พูดถึงสภาวะธรรมสิ่งนั้นๆมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นมันก็ไม่มีเรื่องตัวตนขึ้นมาแต่ว่าเมื่อพูดถึงการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นอยู่ในโลกมันก็ม่เป็นเรื่องของอตัวฉันตัวอื่นๆตามสมมติมันก็อยู่ที่การเข้าใจสัจจะสองชั้นเรื่องสมมติสัจจะความจริงตามสมมติกับเรื่องปรมาจารย์สัจจะ บางทีก็อยู่ที่แอปโรชของเราด้วยนะรเปล่าในการอธิบายคือเวลานั้นเรากําลังอธิบายเรื่องของสภาวธรรมความจริงตามธรรมชาติตอนนั้นเราจะไม่มีเรื่องตัวตนขึ้นมานถ้ามาพูดถึงเรื่องการดําเนินชีวิตการทํากิจหน้าที่เรื่องของการหาประโยชน์ในสังคมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอัตตาตัว ต, วตนขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องระดับสมมติก็ เรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือไม่เอาสองด้านเนี่ยมาสับสนกันเลยพอถ้าพูดในระดับของเรื่องของการพัฒนาคนอะไรต่างๆนี้เราพูดได้เลยคราว่าอัตราตัวตนรเรื่องอนะไรเรื่องของสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยพอ ระบของกายานิพพนากายาเวทนาสุตตาธรมานี่นะคะเอ่อพอไปพอแยกอภิบาอย่างเช่นบทความที่บูปผาสักเอสองวันที่แล้วที่ก็ส่งมาให้ในการประยุธ์แนวของไาแพทยําลองที่เชียงหมอ๋อเลยเหร บอกว่าตัวปัญญามันเกิดมาจากรู้จักคิดอย่างถูกวิธีพอเข้าถึงขั้นสู่ธรมมามะนะเราจะต้องรู้จักพิจารณาใชแล้วเราพูดคำว่าพิจารณาเีาาพราะเวลาพิจารณาเราก็ต้องบอกว่าเราใช้เราจะต้องเดิมแตาต้องมีพื้นฐานความเคยชินของเราแบบไหนถ้าเราพื้นฐานความเคยชินของเราเนี่เรามองสิ่งต่างๆไปตามหลักของบฎพฏิจจสมุปาทหรืออะไรของเราที่เราเคยเรียนรู้มาแนวโน้มที่จะเข้าสู่ ตัวสัจธรรมมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่โดยฝึกมาทำนั้นเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่ต้องคิดเลยเนี่ยมันก็ได้กําลังของสมาธิคือท่านคือมันมันไม่ใช่ไม่ใช่กําลังสมาธิอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวก็เป็นเพียงให้ใจสงบแต่หมายถึงว่าดูสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเป็นไปในปัจจุบันคือในชีวิตร่างกายในจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกสบายไม่สบายเกิดขึ้นมามันก็เป็นตัว อารมณ์ให้ดูในขนาดนั้นเลยหรืว่าสภาพจิตคุณโมเศร้ามองมีความโกรธรือไม่มีความโกรธของจริงที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเรื่องพอเรื่องพอเรื่องพอเรื่องพอแล้วเสร็จมันมันไม่เคยรู้เรื่องเกิดดับไม่เคยรู้ว่าความไม่เที่ยงอาจจะไปคิดไปเลยว่าเอยนีเดี๋ยวมานู่นมาแต่ว่ามันไม่มีความเชื่อมอ๋อการดูมันไม่ไม่ไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่องเพียงพอเพราะว่าคือการดูแบบนี้นั้นดูตามที่มันเกิดมันเป็นไปเมื่อมันได้เห็นความจริงนั้นต่อเนื่องเพียงพอสภาพความจริงขง้ามาที่เป็นอย่างนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเพราว่าการที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็เหมือนกับว่าได้ความรู้ที่เป็นข้อสรุป เป็น General <This year> เจเนอเรชั่นพรีสิวใช่ไหม right? จากการที่เราเห็นตามดูเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปคิดก็เกิดขึ้นไปเป็นยังไง ility, เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้คงอยู่อย่างเดิมอะเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเช่นความคิดอันหนึ่งหรือความรู้สึกอันหนึ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วความรู้สึกนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลง หรือมันก็จะเลือนหายไปความรู้สึกอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาเราก็เห็นไอ้ความรู้สึกอันนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปหายไปอันอื่นก็เกิดมาเนี่ยการที่มันมีความเป็นไปเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราตามดูไปเรื่อยๆก็คือการเห็นการเกิดขึ้นดับไปใช่ไหมอันนี้แหละพอตามดูอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็คือการเกิดความรู้ที่เป็นข้อสรุปนี่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เรียกว่าอันนี้จังใช่ไหมแล้วมันก็ เป็นภาวะที่ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่ก็คือนิจังทุกขังรัตตาตามที่เป็นจริงตามภาวะของมันคือดูต่อเนื่องเพียงพอแล้วก็เห็นตามทันมันส่วนความคิดก็ต้องแบ่งความคิดนั้นก็เกินไปที่บอกว่าไม่ให้คิดเพราะความคิดมีสองแบบการคิดอย่างอายุนิสโสมนิการ อยู่ใต้อำนาจความชอบใจไม่ชอบใจปรุงแต่งไปตามความชอบใจไม่ชอบใจนั้นนี่อย่างหนึ่งอันเนี้ยที่ไม่ให้ไม่ให้เอาไม่สนับสนุนแต่ความคิดที่มันเป็นตัวนําทําให้เกิดช่องทางเป็นตัวเปิดช่องให้แก่การเห็นความจริงอันนี้ที่สําคัญคือการคิดที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นความคิดที่เปิดช่องให้แก่การมองเห็นความจริงนั่นเลยมันเป็นการนําจิตไปสู่การมองเห็นในเรื่องนั้นๆ ถ้าไม่มีความคิดช่วยแล้วมันไม่มีตัวนําเข้าสู่เป้าหมายอันนั้นความคิดที่มีประโยชน์ก็เป็นความคิดประเภทนี้จึงเป็นความคิดแบบโยนิสม์ริการเช่นรู้จักตั้งคําถามอย่างนี้ใช่ไหมลมะ่ะเพราะเราตั้งคําถามปั๊บเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีเป้าที่จิตมันจะเดินไปหาในการที่จะดูด้วยเราจะดูอะไรยังยังไม่มีจุดชัดเพราะมีความคิด ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามเป็นต้นมันก็มีจุดที่จะมองเลยใช่ไหมแล้วมีทิศทางด้วยพอมีจุดที่จะมองและมีทิศทางที่จะมองแล้วก็การดูความจริงก็ตามมาใช่ไหมหมายความว่าการคิดกับการดูความจริงเนี่ยมันประสานกันไม่ใช่เป็นความคิดแบบปรุงแต่งใต้อํานาจของความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ว่าเรื่อยไปมันก็กลายเป็นความฝันไปใช่ไหม และนั้นก็ความคิดก็มีสองแบบความคิดที่มาประสานกับเรื่องของการมองการเห็นความจริงซึ่งมันจะเป็นช่วยด้วยถ้าขาดอันนี้เสียไอ้การมองก็มองโดยอยู่ในขอบเขตจํากัดไม่มีทางไปก็อยู่แค่นั้นนะก็ให้การคิดนี้ประสานกับการมองความจริงและการมองความจริงก็ต้องมองอย่างต่อเนื่องจงกระทั่งว่าไอ้ความจริงนะั้นมันก็ปราดกฏตัวมันเอง ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคิดมันแต่จริงๆถ้าเราไม่ฝึกความเฉยชินของการคิดโยนสิสมณฑสถากนก่อนเนี่ยวควาจริงมันก็บาคงคนเยอะแยะ ก, กันที่ว่าเรามีเราเรามีสมาธิเพียงพ อ, อที่จะพิจรารณาสิ่งต่างๆการเกิดดับอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าเราไม่เข้าใจสัจธรรมเป็นไปได้หรื่ไดก็มันยังไม่เพียงพอหมายความว่าความประจักษ์ในจิตของตัวเองยังไม่เพียงพอก็ออจึงให จเจริญจกนกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยของตัวเองไปเลยเพราะว่าในขณะนี้เราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยถูกครอบงำด้วยการสั่งสมเก่าการสั่งสมที่สั่งสมจากการมองพิจารณาสิ่งต่างๆตามชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยคนละหลายหลายสิบปีเลยหมักหมมมาใช่ไหมไอ้เจ้านี้มันก็ครอบครองครอบงำความคิด ความเข้าใจของเราอยู่ทีนี้เราจะฝึกใหม่ไมใ่ให้ไอตัวการสั่งสมอิทธิพลนี้มาครอบงำเราเราจึงได้ให้มีการใช้สติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมองเห็นความจริงเฉพาะตามที่มันเกิดขึ้นอยู่นีถ้าเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ต่อเนื่องไปเนี่ยไอภาพความจริงนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากภาวะของมันเอง ที่ว่าธรรมชาตินั้นมันไม่ได้ปกปิดมันมันไม่ได้ปกปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรเราเลยแต่เพราะว่าเราเนี่ยไปถูกอิทธิพลของความเชื่อความชอบใจไม่ชอบใจที่มีมามันก็เลยมามองสิ่งทั้งหลายไม่ได้มองตามที่มันเป็นแต่มองตามที่เราอยากให้เป็นหรือตามที่เราคิดหวังให้มันเป็นใช่ ไ, ไอ้ตัวเนี้ยความคิดหมายความคาดหวังจากสิ่งต่าง มันเข้ามาครอบงนำนําความคิดของเราไปซะ ก, ก่อนแทนที่ว่าจะอยู่กับความเป็นจริงเที่ยวความเป็นจริงก็มองมันแค่ความจริงที่มันเกิดนั่นแหละมันก็สิ่งทั้งหลายมันเราเรียกว่าเป็นไปใช่ไหมมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่หยุดนิ่งพอเรามองปั๊บเนี่ยอ่ามันก็มีความเคลื่อนไหวมีความเป็นไปของมันความเป็นไปของมันก็คือการเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งการที่ไม่คงอยู่ในภาวะเดิมใช่ไหม แล้วก็การที่มันเปลี่ยนแปลงแปลไปไปสู่ภาวะใหม่เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นไปนตามองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กันใช่ไหมอันนี้คือภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังงนั่ตาคือภาวะที่ว่าภาพนั้นสิ่งนั้นหรือสภาวะธรรมนั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปสภาวะนี้เรียกว่าอนิจจังและภาวะที่มันไม่คงอยู่ในสภาพเดิม มันปรากฏในสภาพใหม่อยู่เรื่อยๆคงอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แปลเปลี่ยนจากภาพนี้ไปเป็นภาพนั้นอย่างนี้เรียกว่าทุกขงังแล้วมันก็ไม่สามารถสนองความต้องการของคนถ้ามองในแง่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์ก็มีความต้องการของตนเองต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ในภาวะใดอย่างหนึ่งคนมีความต้องการที่จะให้สิ่งที่ตัวเกี่ยวข้อง แม้แต่ชีวิตของตัวเนี่ยอยู่ในภาวะอันหนึ่งที่ตัวต้องการแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มาอยู่ในภาวะที่เราต้องการเพราะว่ามันก็ไปตามกระแสของมันมันก็เกิดขึ้นปรากฏในภาวะนี้แล้วก็ภาวะนี้ก็รับหายดับไปก็ไปปรากฏในภาพสภาวะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอ น, นิจจังแล้วก็ในเมื่อมันแปรไปเรื่อยๆก็เป็นทุกขัง ถ้ามเทียบกับความต้องการของเราก็คือขัดกันขัดกันก็ทุกขังในใจของมนุษย์แล้วการที่มันแปลไปคืบเคลื่อนจากภาวะหนึ่งไปเป็นอีกภาวะหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเลื่อนลอยขอึ้นมนเองนะมันต้องอาศัยความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์นั้นภาวะนี้เรียกว่านัตตาก็ไม่มีอะไรก็บท่านี้มันก็เป็นความจริงที่มันของปรากฏอยู่อย่างเงี้ยนี่คือนิจจทุกขังนัตตา นะถ้าเรามองสภาพธรรมชาติตามที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่นี้ก็จบใช่ไหมเลเพราะฉะนั้นเวลาาเขียนอตามสมมติที่เขาเขียนภาษาเขาเรียบร้อยเขาบอกว่ารไม่ต้องคิดจะรู้มาคิดาคิดจะรู้เนี่ยเป็นไปได้ซ่องประสานกันต้งคิดก็ต้องบอกคิดโดยไม่ใช่คิดปรุงแต่งโดยอยู่ใต้อิทธิพลของ ความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นแต่คิดโดยบริสุทธิ์เป็นกระบวนการคิดที่บริสุทธิ์ที่ว่าไปเชื่อมโยงเปิดช่องหรือให้ทิศทางแก่การมองความจริงเพราะว่าถ้าไม่มีการคิดมาช่วยนำอย่างที่ว่ามันไม่ได้จุดเริ่มและไม่ได้ทิศทางการมองความจริงเช่นว่าถามว่าอันนี้มีเพราะอะไรนี่คาถามอย่างนี้ทาให้เกิด การมองความจริงนั่นแหละความคิดนั่นแหละจะทําให้มองความจริงไงก็พระพุทธเจ้าถามว่าเอ๊ะปรากฏการณ์นี้หรือสภาพจิตนี้เกิดขึ้นอ้าวมันเป็นเพราะอะไรนี่อันนี้ปั๊นี่มันทําให้เรามองความจริงโดยไปสังเกตว่าอ้าวมันเป็นยังไงมาใช่ไหมก็คือการคิดสืบสาวหาความจริงแต่ไม่ใช่คิดเลื่อยเปื่อยไปสังเกตดูความจริงเลยว่าสภาพจิตของเราน h i เปลี่ยนแปลงไปยังไง จากสภาพจิตไหนมาจึงมาเป็นสภาพจิตนี้ใช่ไหมก็ได้ลกลายเป็นว่าไปดูความจริงเลยทีนี้ถ้าเราไม่มีการคิด <c oughs> มันก็ไม่มาดูความจริงอันนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันประสานกันเลย <c oughs> ความคิดอันนี้เลยอพออาจารย์จะพอเห็นทางนะั่นเลยพเพราะว่าอย่างที่ว่าความคิดที่ทำให้เรามองแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเนี่ย ถ้าไม่มีไอตัวคําถามแบบที่ว่าไม่มีความคิดแบบที่ว่ามันไม่มองนะใช่ไหมเพราะเหมือนกับต้องการรู้ว่าสภาพจิตอันเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอะไรจากการคิดจากการตั้งคําถามอย่างนี้ก็เลยทําให้มองมีจุดเน้นในการมองว่ามองดูซิว่ามันมาอย่างไรเนี่ยแล้วตอนนี้คือการมองความจริงด้วยใช่ไหมไมันจะคิดเอานะแต่การคิดนั้นทำให้มองใช่ไหม ทำให้ไปมองว่าเออความรู้สึกของเราสภาพจิตของเรานี่มันคืบเคลือคล่อนมาอย่างนี้จากอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ความจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นการคิดที่ถูกนี่มันจะประสานกับการมองความจริงไปเลยนมันเอื้อต่อกันแหนนลเะเรีม่มเหรอเรื่เมเหรอ แล้วครับทจะบอกไม่ให้อ่านไม่ให้คิดเรามีตัวรู้อยู่แล้วมัจะพูดงี้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกำราหอาสมาที่ตัวรู้มันจะทำงาน่ทีนี้เวลาที่ถึงไปอ่านเช่นในอย่านทหรือแม้กระทั่งเล่นีที่ใหม่เนี่ยอ่าสมุเนี่ยอะไรนี่จะจะริดบุญจรธรรมเลยเลย่านว่าพุทธเจ้าวานจะสัตย์รู้เนี่ยเป็นพวกว่าคือผมไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเรียกอะไรนะแต่ว่า แบบโย น, นิสมณสิกาพระเจ้าคุณเคยเขียนบอกว่าคนที่ศึกษาสุบูลแล้วเนี่ยเมื่อเวลาอยู่เนี่ยก็มีสติอยู่กับปัจจุบันเนีเ่ยนะคะรู้ว่าตัวเองต้องทการทํางานแล้วก็อู่ด้วยสติแต่เมื่อเวลาจะคิดก็คิ ด, คดอย่างโยนิสมณสิกาเพราะเจ้าคุทความคิดไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าไม่ต้องคิดให้รู้ที่นี่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมทำไมบอกว่าไม่ให้คิดนั้นก็เป็นเพราะก็คือที่ว่าอาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นทีนี้บางสํานักถ้าจะพูดแบบนั้น ซึ่งมันจะทำให้เขลเพราะว่ากลายเป็นว่าไปตัดความคิดหมดเลยต้องแยกเป็นว่าคิดอย่างไรต่างหากใช่ไหมมันไม่ใช่บอกว่าไม่คิดแต่ต้องพูดว่าคิดอย่างไรใช่ไหมต้องเปลี่ยนใหม่คือถ้าไปบอกไม่คิดนี่ก็อาจจะเกิดผลไร้ายได้แต่บอกคิดอย่างไรไม่คิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นปมปัญหาแล้วก็พวกสมาธิอีก ถ้าเอาแต่สมาธิคือไปคิดว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นความเป็นจริงเองเข้าใจอย่างนั้นไปอ้างพุทธภาษิตพุทธพจน์ที่บอกสมาหิตโตยถาภูต่างปัญณาติก็แปลว่าจิตเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาเองคล้ายๆอย่างนั้นนะอต้องระวังนั้นอันนี้ถ้าเกิดสมาธิแล้วปัญญามาเองอย่างั้นฤาษีชีพลยก่อนพระพุทธเจ้าได้ชานสมาบัติ สมาธิลึกมากไม่ใช่เลยเลยมันใช่ไหมถ้าทำไมพวกนั้นก็น่าจะตัดสรุปไปหมดสิถ้าสมาธิมันพอใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเรี่บร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โดยสาราอธิบายมชัดเจนนะคะอสูไปก็คไปจุดนึงที่ที่จิตใจเรามีหมายถึงว่าเราเรามีสมาธิขอศาาดูอะไรลมหายใจนะะดูเวทนาที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะะเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงที่เกิดประสบการณ์ตัวผมเลยเนี่ยนะคมันก็เกิดความเมือหน่ายเอหนเพราะว่าเราก็งบางทีท่านระเทศดยเทศที่ท่านุบอกว่านั่นก็คือจริง ปริญญาแหละนะคะก็เท่ให้เบื่อนายในร่างกายในอะไร่ทีนี้พอเรามีสมาธิแล้วเราก็ฟังเทศในเบื่อนายร่างกายเนี่ยเราก็เลยเบื่อ่อกอะไรคนก็โอยู่นั่เบื่ออจากที่งานญาทําอะไรเพราะว่ามีเงินัตตาก็เบื่อแต่เราก็เกิดเป็นอาการบืนามมากนะะือพอั้งสมาธิจเกิดอาการเบื่อมากล้วก็มีปัญหาแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยต่อสังคมไม่แก็เบื่อแล้วมันก็จะมี ตัวทัางหลมาเหินเนี่ยอยนิสงฆ์เมื่อมาอ่านระเอียเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะท่นเขียนว่าจริงๆเวลาพิจารณาความตายเนี่ยสุดท้ายมันต้องไม่ประมาณเลยแล้วจริงๆมันไม่ได้ว่าให้เบือหน่ายนะเบือหน่ายในตัวสังขารเรื่ออะไรเนี้ยนะแต่ว่ามันจะต้องใช้ตัวตัวเราเนี่ยทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจริงๆว่าถ้าใกล้ตัวสมาธิเนี่ยต้องมีความสุขเอ้เบือหน่ายเนี่ยมันเป็นใกล้ๆความุเยนะท่านดมันเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งคือว่า เรื่องนี้ไม่ง่ายมุมเยอ ะ, อะเอาเอางี้ก่อนว่าหนึ่งมรณะสติเระลึกถึงความตายเนี่ยมันให้อยู่นในสมนิการได้ทั้งสองด้านคือว่าทําให้เห็นความจริงก็ได้ให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานิจจังของชีวิตสังขารที่มันมีการเกิดขึ้นดับไปใช่ไหมนี่นี่ในแง่มรณะสติในแง่ น, นิยมไปหาการให้เห็นความจริงแต่อีกด้านหนึ่งก็คือปลูกเร้ากุศล น, นะพอมรณะสติก็ทําให้เราโอ้จะต้องไม่ประมาทนะต้องรีดทาชีวิตให้มีคุณค่า ทำความดีนี้เรียกว่าฝ่ายมองเห็นประโยชน์หมายความมรรสติได้ทั้งในแง่ให้เห็นความจริงและในแง่ให้หาประโยชน์ได้ได้ทั้งคู่เลยแล้วอย่างอ น, นิจจังที่ว่าเมื่อกี้อจตมาที่พูดไปก็พอเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกเป็นนัตตาที่เห็นความจริงอ น, นิจจังก็ทําให้เราไม่ประมาทก็ได้ประโยชน์ก็ได้ทั้งคู่แต่ทีนี้ว่าเรื่องของการที่ว่าเทศแล้วก็ให้เบือ่อ สังขารหลายๆพระพูดในแง่ที่มันไม่น่าพึงพอใจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงพิจารณาถึงอุปนิสัยพื้นเพจริตของคนฟังใช่ไหมที น, นี้เวลามาใช้กับคนจํานวนมากเนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งผลร้ายและผลดีเพราะคนที่ฟังนี้พื้นเพอุปนิสัยความแตกต่างไม่เหมือนกันดังนั้นคนนี้อยู่ในระดับนี้จิตมันจะต้องใช้อันเนี้ยจะต้องเกิดประสบ ก, การณ์นี้แล้วเขาจึงจะสามารถก้าวต่อ แตเมื่อคนนี้เกิดความยึดติดผูกพันหลงมากเกินไปนะก็มาสอนอันนี้ปับ๊บนะเพื่อจะสร้างปฏิกิริยาขึ้นมาให้จิตมันขยับขยื่นได้ไม่เช่นนั้นแล้วจิตมันจะหมกติดอยู่อย่างนั้นก็เลยเอาไอ้เรื่องของความเบื่อหน่ายเรื่องของสภาพที่มันไม่น่ายึดไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเนี่ยมาเทศก็ทําให้จิตเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยามันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะออกอันนี้สําหรับอีกคนหนึ่ง เขามีความโน้มเองจะเบื่อนายอยู่แล้วไปพูดมากก็เลยขาดตัวตายไปเลยจบเลยนฉะ น, นั้นพระพุทธเจ้าถ้างทรงสอนเองนี่ต้องดูคนนะดูว่าคนนี้เขาอยู่ในระดับไหนยังไงสอนให้พอดีเพราะฉะนั้นพระเดี๋ยวนี้ท่านก็สอนได้แต่ตามที่ท่านนึกใช่ไหมถ้าท่านก็ว่าไปตามท่านเข้าใจของท่านอย่างอ ง, องค์เดียวไม่เหมือนพระพุทธเจ้านี่ย พ, พุทธเจ้าสามารถเข้าใจคนที่ฟังเขาอยู่ขั้นไหนระดับไหนใช เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เกิดจากหนึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ฟังสองความสามารถของผู้สอนออกสามระดับจิตของคนอีกระดับจิตของคนมันก็มีวิวัฒนาการถ้าว่าโดยรวมๆคนเราเนี่ยอุตชชนเนี่ยมันจะอยู่ใต้อานาจความชอบใจไม่ชอบใจมาเป็นธรรมดาสั่งส ม, มแล้วมีโลภะโทสะโมหะอันนี้ความยึดติดถือมั่นมันก็จะมีมาก อันนี้ทำไงจะก้าวไปได้มันก็เลยต้องมีอันหนึ่งก็คือว่าการที่จะก้าวไปสู่การเห็นความจริงมันก็จะไม่มีจุดที่จะก้าวต่อได้การที่ทำไงจะให้คลายออกไปฉะ น, นั้นก็เลยมีปฏิกิริยาออกมาตอนแรกพอพี่นายเห็นว่าสังขารสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างที่เราเคยเข้าใจมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ปรารถนามันมีแง่ร้ายแง่อะไรต่างๆก็มองไปในทางตรงข้ามก็เกิดปฏิกิริยาก็เบื่อนายไอการเบื่อนายนี้ทําให้เขาเก้าวไปได้ นะแต่ว่ามันไม่ใช่จุดจบอย่างในลำดับญาณเคยเล่าให้พระท่านฟังแล้ววิปัสนาญาณเนี่ยมันจะมีการเห็นการเกิดดับของรูปนามเนะีเอามาเริ่มตั้งแต่แยกให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายอ๋อไม่มีอะไรในโลกนี้ก็มีแต่รูปธรรมานามธรรมาใช่ไหมเลยอดอต่อมาก็เออเห็นรูปธรรมานามธรรมาก็รู้แต่เกิดขึ้นดับไปดับไ ป, บ ไ, ปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปต่อมาก็โอ้มันก็ดับไปหมดมีท่านอะไรก็ดับไปหมด ต่อมาก็ชักรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะหน้าเอาหนะ้าเป็นมองเห็นข้อบอกพร่องชักเกิดความเบื่อหน่ายล้วทีนี้เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็อยากจะหนีอยากจะไปให้พ้นไม่เอาแล้วประมาณนั้นต่อมาพอพิจารณาความจริงไปม า, มาในที่สุดก็เห็นอ๋อมันก็เป็นความจริงธรรมดาเข้ามันอย่างนั้นแหะมันอยู่ที่เราไปทียึดมันว่ามัน อ, อ, อย่างนี้เราชอบมาก่อนต่อมาพอมันไม่เป็นตามที่ชอบก็เกิดเบื่อหน่าย มันเป็นปฏิกิริยาในใจของเราเองแต่มันก็ไม่ใช่เกิดมาลอยๆมาเกิดจากการเห็นความจริงบางอย่างใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของจิตใจของเขาจากที่ปัญญามันเริ่มงอกเงยเจริญขึ้นมานี่พอไปเห็นความจริงมาถึงจุดหนึ่งเบื่อหน่ายแล้วต่อมาพอเห็นความจริงแล้วปรับใจเข้าใจตัวเองด้วยนะเห็นความจริงมันก็เป็นธรรมดาเของมันอย่างงั้นนะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันอยู่อย่างนั้นน่ย นะมไม่ใช่เรื่องที่ใครจะชอบใจไม่ชอบใจมันเป็นเรื่องธรรมดาสภาวะตอนนี้จิตมันปรับได้เกิดอุเบกขาเลยเป็นสังขารุเปกขาญาณวางใจพอดีเรียบสงบลงตัวไม่ไม่บวกไม่ลบเลยทีนี้เป็นกลางเลยใช่มหมล่ะมตอนนี้แหละจึงจะตรัสรู้ได้ถ้ายองตูตรงเบือแล้วไม่ตรัสรู้หรอกเรืออร่องตอนนั้นเนะอี่ยนะี่ สำคัญเลยสำคัญแต่ว่าตกลงว่าถ้าเขาเบื่อหน่ายก็รู้ทันเขาก็แล้วา ก, ากันอก็ออย่างน้อยก็ให้หลักเขาให้หลักทางปริยัติก็ได้ให้เขารู้นะพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะจิตมาถึงกองเนี้ยที่คุณเบื่อหน่ายก็ดีแล้วที่คุณมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปนะคุณจะได้บรรลุจุดหมายเนะี่ยคุณจะต้องก้าวไปขั้น ที่จะเห็นความจริงที่มันเป็นธรรมดาเขามันอย่างนั้นระวางใจเป็นกลางได้นั่นแหละคุณจะกล้าไปขั้นหนึ่งให้เขาเห็นทางบ้างอย่าให้เขาไปติดอยู่แค่แคเบื่อแล้วก็เลยหมดจิตหมดใจหมดพลังแล้วก็หันกลับไปเรื่องสมาธิอีกนะั่นเลยหมายถึว่าว่าสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าจิตตั้งมันแล้วจึงจะรู้เห็นตามเป็นจริงหมายความว่ามัน แปลความหมายได้ทั้งในแง่ทีว่าต้องมีสมาธินะจึงจะเกิดปัญญาได้แล้วก็เมื่อมีสมาธิและจิตตั้งมั่นก็สามารถจะเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นได้ตามเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะมาเองเพราะฉงนั้นไม่ต้องไปพัฒนาปัญญาสิแลอย่างที่บอกแล้วถ้าอย่างนั้นฤาษีชีไพรก็ได้สมาธิออกลึกซึ้งใช่ไหมก่อนพระพุทธเจ้ามาอุบัตินะ่ ก็อย่างที่ว่าอาราระดาบทการามโคดก็ได้ถึงอากินจัญญายาจนะสมาบัติเป็นสมาธิขั้นสูงเรียว่าจตุทชานนี้ก็สูงสุดแล้วยังไปถึงรูปรูปฌานอีกแน่วแน่สนิทลงไปอีกแล้วอุทกดาบทรามบุตรก็ได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะจบสมาบัติปดก็สมาธิยอดเยี่ยมแล้วทำไมไม่ตรัสรู้ล่ะ ดั้นถ้าบอกถ้าไปตีความอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวถ้อย่างนั้นก็พระเจ้าจะต้องมาเกิดทําไมเราคนฤาษีเขาได้สมาธิกันออกเก่งๆใช่มดังนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่าต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งศีลสมาธิปัญญาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไม่ใช่สมาธิพอได้แล้วก็ปัญญาเกิดเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีวิปัสสนาก็มีแต่สมถะก็พอเพราะสมถะเร า, า, าทําให้เกิดสมาธิ คือไม่เข้าใจความเป็นปัจจัยกันและความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบในการปฏิบัติทั้งสีสมาธิปัญญานี้ใช่ไหมเรือมอนเนี่ยตัวสำคัญก็เลยทำให้เข้าใจค้อยวยไปถ้าบางอย่าง ใ, ใช้ผิดก็ได้สมาธิที่ค่อนข้างดีใช้ผิดกลายเป็ น, ใ น, ในว่าถอนลำบากด้วยนะเออนีไม่มีตวัวประกอบเอามันก็ติดด้วสิเริคนนัน้นสัตสายเขาไม่ไ เล่นรัคล้ายๆปจับตมไปน้ำโน้มที่นิดดิงพอได้สมาธิดิงคิดอะไรแบบนี้เลาคนเนียแม้กะทว่าสภาพจิตไม่ดีเนี่ยแต่สมาธิดีก็ดในเรื่องวก็ดิงในเรื่องล้ก็ถอดได้กับป็นโทษก็ใช่สิสมาธิก็เป็นทษเยอะสิสมาธิกันหนึ่งก็ทำให้น้มไปสู่ความขี้เกียจเร่องกันเนสบายใช้เป็นสิ่งกล่อมเนี่ย แล้วกล่อมใจหนีปัญหาหลบปัญหาไม่ต้องทำอะไรเวลามีทุกข์มีร้อนก็หลบเขามันั่งสมาธิพลึนก็เลยกลายเป็นตัวถ่วงไม่ให้เดินหน้าด้วยดะงนั้นสิ่งที่ว่าดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษก็กลายไม่ฉะนั้นถ้าจะมีหรอมิจฉาสมาธิใช่ไหมสมาธิก็เป็นสมาธิแต่เป็นมิจฉาใช้ผิดเอาไปกล่อมใจใชนะ่หรือเอาไปใช้หาฤทธิ์อะไรเป็นต้น อ้าวสี่โมงแล้วพวกหลังที่มาเล่นในตอนหลังเนี่ยเขเลี้ยงออกมาพวกเมอซีคิวลิ่ที่ขออมากเลยยายก็เป็นการคิดสุดโตสุดสุดโต่งอะเรื่องคือางทีมันคิดดิ่งไปแง่เดียวก็คิดแต่แง่นั้นไปดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่แง่อื่นมันไม่มองยลาที่ท่านจะคณวหนังสือพวกนี้มให้่เวลาที่พ่มองเรื่องวิทยาา หรือ <trabajar. S 2> อะไรที่ที่ทางศีลา่าเขาถามแล้ว <ปะ S 2> ทุกทุนจะแยกอีกยนปัจจัยแยกปล่ัจจัยให้ ค, ความคิดที่ฟังที่ ก, อ ก, ก่อน <étique. S 2> แต่ส่วนใหญ่เราค ถ, ถามของแพททาี้ ต, ต้องการให้ท่านุแว่าตอบงไปโดยจักสีผังลไปเขาเรียกว่าเรียก<แ>ว่า<แ>เอกัง <ปะ S 2> สวสดาเขาอ่านเขาบอกมันคืออะไรเนี่ยแสดงว่าคนจริงจริงให่นะให้ตัดสีเลยจะทีจริงบอกว่าแยกกันทให้เราสึละเอียดต้องฝึกความคิด พระพุทธเจ้าจะไม่ใช้เอกังสวาสนอกจากเป็นความจริงที่เด็ดขาดการตอบก็มีเอกังสวาสเอกังสัพยากรแล้วก็ปฏิปฏิปุจฉาพยากรต้องย้อนถามแล้วนนป็นเรือ่องอะไรกระทากับสิ่งต่างๆหรือกับผู้คนเนี่ยวิธีก็หลังวัดไอ้ที่เนี่ย ถ้าเยอะแล้เป็นแบบวิพัฒน์มันเป็นตัววัดตัวที่ก็จะเห็นความจริงได้ชัดทุกแง่ทุกมุมให้พอดีกับความจริงนะถ้ามันไม่พอดีกับความจริงเพราะตัวไปมองแง่เดียวความจริงมันมีหลายแง่มันก็ไม่พอดีความจริงนี่ก็หนึ่งเอกังสะพยากรตอบถางเดียวเด็ดขาดสองปฏิปุชชาพยากรต้องย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบสาวิพัฒน์พยากร ต้องแยกแยะตอบจำแนกแจกแจงแล้วก็สุดท้ายก็พับปัญหาเลยหมายความว่าปัญหานั้นถามผิดต้องพับไปเลยเรื่ร อ, อ, ยอยๆก็แนละเป็นเรื่องวิธีคิดเนี่ยเรื่องอยู่ในสมรจิการ แต่ยังอนัตตานี่ก็อธิบายแก่ท่านในที่ประชุมนี่แล้วท่านเข้าใจไหมฮะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ว่ามันพอในภาวะทั่วทั่วไปเนี่ยคือเราจะไปเริ่มที่อะไรที่จับจุดตายตัวซะเราต้อพูดถึงสภาพทั่วไปคือการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยคือพอเรามองออกไปในโลกเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายใช่ไหม สิ่งทั้งหลายนี่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะมีความเป็นไปเนี่ยความเป็นไปเนี่ยที่เราอยู่ในโลกนี่มันเป็นโลกแห่งความเป็นไปใช่ไหมใช่ไหมมีความเป็นไปไอความเป็นไปนั่นคืออะไรคือการที่จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งใช่ไหมสภาพนี้ปรากฏแล้วสภาพนี้ก็เลือนหายไปแล้วก็มีสภาพใหม่ก็ไปอย่างนี้เรื่อยนี่เรื่องความเป็นไปความเป็นไปอย่างนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปเป็นสภาพหนึ่งสภาพเก่าหายสภาพใหม่ปรากฏนี่คื อ, อนิจจังเนี่ยอนิจจังปรากฏและปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่านี่คือโลกแห่งความเป็นไปก็ต้องอนิจจังท่านั้นทีนี้การที่มาเป็นนิจจังคือเกิดปรากฏแล้วก็หายปรากฏแล้วก็หายใช่ไหมมันก็ไม่อยู่ในภาวะเดิมใช่ไหมอาการที่ไม่อยู่ในภาวะเดิมเนี่ยเราเรียวกว่าทุกข์ขัง มันไม่สามารถจะคงอยู่ในภาวะนั้นได้ต้องไปสู่ภาวะหนึ่งอันนี้จังทุกขังรวมกันเราเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงคือนิจังอันนี้เราพูดแบบง่ายๆเปลี่ยนแปลงมันเป็นสับรวมเป็นคอนเซปต์รวมที่พูดทั้งอันนิจจังทุกขงังเพราะว่าอันนิจจังนั้นก็คือการที่สภาพหนึ่งปรากฏแล้วสภาพนั้นก็หายสภาพใหม่ปรากฏคือการเกิดดับอันนี้เรียกว่าอันนิจจังไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ามาพูดเป็นเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็จากการที่ว่าไม่คงอยู่ในภาวะนั้นไม่คงอยู่ในภาวะนั้นอันนี้เรียกว่าทุกขังใช่มแล้วทีนี้การที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้เราได้แล้วอันนี้จางทุกขขังเป็นเปลี่ยนแปลงเพระเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นสภาวะของมันเองนะแล้ว ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันใช่ไม่ได้เป็นไปเดยเลื่อยลอยที่มันปรากฏใหม่ในภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เกิดโดยเรื่อยลอยนะแต่มันปรากฏเพราะมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์ใช่ไหมและอิทธิพลของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั่นแหละทำให้มันปรากฏรูปอีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายระบบความสัมพันธ์ที่สิ่งทั้งหลายในขึ้นต่อกันเป็นปัจจัยหนุนแก่การเป็นไปตามเหตุ ป, ปัจจัย ก็คือภาวะที่มันเป็นไปตามสภาพของมันนีมันเป็นอยู่เป็นไปตามสภาพของมันตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นโดยไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าของครอบครองบังคับบัญชาสั่งการได้นี่เรียกว่าอนัตตาก็จบอะไรพอ น, นมันจะเข้าไปในตัว ร, ระกอบหนึ่งของเหตุปัจจัยที่ใช้ปิดอันนั้นแหละก็คือการที่มนุษย์ต้องไปเป็นปัจจัย ตามระบบปัจจัยเข้ามันไม่ใช่ไปเอาความปรารถนาสั่งบังคับว่าเออแกต้องเป็นอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างงี้นั่งพูดเอาใช่ไหมการที่มนุษย์เข้าไปจะทําอะไรนี่ก็คือต้องเข้าไปเป็นปัจจัยเนยนั้นมันก็กลายเป็นระบบความสัมพันธ์ปัจจัยก็เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีตัวสั่งบังคับได้นะนอะเรื่ อ, องฟอนั้้ถาาาเเรมกิดคว เรื่อแต่ก็มีการโต้แย้งกันมากเลยาคิดอย่างนี้นะคะอ่าเวลาที่เราจะเข้าอกย่เข้ามาาใจเราก็ต่างเราจะต้องเราจะต้องมองเป้าหมายคือมีการวางแผนมองเป้าหมายมีการวางแผนเริ่มคิดอ่ว่าสก่อนาเอข้มันมีความคาดหวังมี expectation ก็ถามบอกว่าถ้ไม่หวังจะทำยังไงให้ไม่หวังคือทำให้เป็นกลางที่สุดแต่ว่าเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ปัญญาเราดูแล้วดูว่ามันเปลี่ยนแปไปมันเปลี่ยนแปไปแล้ก็ดูอีกเรยากเป็นอะก็เปลี่ยนไปก็บอกมันในสภาพเป็นจริงมันเป็นไปไม่ไเหมือนเองเนยจะคิดว่าอะไรเราเอาหน้าไปไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแหละคาดคาดหวังนี่ต้องเอาเลยต้องวางแผนจะเอายังไงมันควรจะเป็นโดยปัญญาคือปัญญามองเห็นด้เหตุผลว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งเป้าเลย แล้วทําตามเหตุปัจจัยศึกษ า, หา ح, เหตุปัจจัยทําตามเหตุปัจจัยแล้วผลเกิดเทลายสําเร็จไม่สําเร็จเป็นไปนตามเหตุปัจจัยรู้ตามนั้นนี่ต่างหากที่สําคัญคือไม่ไม่ใช่เอาตัวความอยากของตัวไม่ไม่ไม่ไม่มันมีคาดหวังสองอย่างคาดหวังด้วยความอยากเป็นอี o t i o n การคาดหวังด้วยปัญญาว่ามันควรจะเป็นยังไงท่นี้การคาดหวังนี้สําเร็จไม่สําเร็จเรารู้ตามที่เหตุปัจจัยให้เป็น สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแม้แต่เวลารอผลก็ไม่เกิดทุกข์ใช่ไหมเพราะมันมองว่าเออมันจะสำเร็จไม่สำเร็จตามนี้ก็ตามเหตุปัจจัยเมื่อไม่สำเร็จเราก็มองว่าอ้าวแสดงว่าเหตุปัจจัยอะไรขาดที่จะเกิดผลไม่ได้หรือมีเหตุปัจจัยอื่นนมาขัดแยง้งเราก็ศึกษาต่อสิด้วยการมองแบบปัญญาอย่างนี้ก็ตัดไอ้เรื่องของความยึดหยาดของตัวเองที่จะให้เป็นตามปรัถนาถูกไหม มันคนละระบบเลยนะเรียนบอลเ ป, ปญญ็ปัญญาแต่แท้ปัญญาแตแท้แล้วแม้แต่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ทุกอ่ใช่ไหมเรียนบอทีนี้ไอ้เจ้าตัวตันหาแต่แท้เนี่ยตอนแรกที่มันตันหาแตแท้นะล้วนๆเนี่ยมันจะมีแต่การอยากจะให้เป็นตามที่ตัวอยากไม่มีจิตปัญญาเข้ามาเลยตอนเนี้จะทุกเต็มที่เลยไม่สำเร็จด้วยแล้วทุกเต็มที่ ต่อมามาเริ่มเอาปัญญาเข้ามาช่วยแต่ว่าเป็นปัญญาสนองตันหาต่อมาปัญญามันบริสุทธิ์เอาตันหาออกไปเสียได้ก็เป็นปัญญาบริสุทธิ์พอปัญญาบริสุทธิ์นี้ทั้งทำการสําเร็จด้วยไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ปล่อยเลื่อยเปลยมันจะเป็นปัญญาได้ไงปัญญามันก็ต้องมีความรู้ว่าสิ่งไรควรจะเป็นอย่างไรนี่สิต่างหาที่เป็นปัญญาแท้ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นความ ที่จะเป็นตามที่ปรารถนาเฉยๆแต่มันเป็นความที่ควรจะเป็นตามปัญญาบอกใช่ไหมใช่ไหมแต่จุดหมายนี่มันก็เป็นจุดหมายของปัญญากับจุดหมายของตัณหาแหละนี่เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อสนองจุดหมายที่ปัญญาเห็นว่าควรจะเป็นไม่ใช่ไปสนองจุดหมายที่ตัณหาอยากให้เป็นใช่แค่นี้ก็ต้องแยกแล้วแต่ต่อมาอยากจะย้อนกลับไปที่เรื่องอนัตตาเนะี่ยก่อนที่จะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดผลเนะี่ยก็คือ มองสภาวะที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกของอังนัตตาอนัตตก็คือภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่ดำรงอยู่ตามสภาพของมันแล้วเป็นไปตามสภาพของมันซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นไม่ขึ้นต่อความปรารถนาคำสั่งบังคับของใครทั้งสิน้นถูกไหมอันนี้เรียกว่านัตตาก็สิ่งทั้งหลายก็ดำรงอยู่เป็นไปตามสภาพของมันถูกไหมเช่นตามเหตุปัจจัย ใครไปเป็นเจ้าของยึดครองสั่งการบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ไม่มีใช่ไหมนี่แหละคือภาวะอนัตตาก็คือมองเป็นกระบวนการของธรรมะเหตุปัจจัยสภาวธรรมล้วนๆที่เป็นไปในระบบความสัมพันธ์นี้ก็คือพอมองเห็นอนัตตาเนี่ยมันจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์อันใหญ่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันส่งผลต่อการเป็นปัจจัยกันกันและเป็นกระบวนการก็คือเคลื่อนไปเรื่อยๆ ช่ไเ่อมก็หมดนี่คือนัตตาไม่มีตัวตนขึ้นมาสั่งบังคับปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้คื<ต>ถ้เราเห็นความจริงอย่างนี้แลงเราจะมีความละเอียดแ ล, ดแ ล, แล้ก็คามนิ่เวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้อเลยพอนก็มันก็มองกว้างอะมองระดัไรแล ะ, ะทำให้ไม่มาติดอยู่กับความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นใช่ไมมันก็จะไปมองที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องระบบความสัมพันธ์เป็นยังไงไอ้ระบบความสัมพันธ์เนี่ยบบนน ย, ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ว่นแม่เราจะไม่ใช้ปัญญาลว่าสูตรยิีีบ้าเนี่ยเรองพอนเรื่องพรอนก็นะเพราะว่ามันปลีกมันตัดมันแยกออกไปจากไอ้ตัวตนได้เนี่ยไอ้ตัวตนนี่มันเกิดจากตัณหาเนี่ยคือมีตัวตนพอเรามีความปรารถนาปั๊บมันมีตัวตนที่เป็นเจ้าของความปรารถนาทันทีเลยใช่ไหมแต่พอมันมองภาพจริงตามสภาวะข้ามนตัวตนมันเกิดไม่ได้ อันั้นตัวตนในเชิงจริยธรรมก็ตัวตนอันเนี้ยที่มีความอยากความปรารถนาจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามที่ตัวอยากปรารถนายึดหมายสําคัญมั่นหมายใช่ไหมอันนี้คือตัวตนในทางจริยธรรมแล้วตัวตนในทางความเป็นจริงมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์ในเหตุปัจจัยต่างสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ตามสภาพเขามันเป็นไปนตามคันลองเขามันเองซึ่งมันเป็นระบบความสัมพันธ์อย่างที่ว่า เลยพ่อแต่อาจารย์ว่าจะชัดพอไมล่ะเลย่รู้ได้ความคิดเยอะแล้วก็โดยบางทีเนี่ยเราเข้าใจแล้วตภาษาเยเราไม่ชัดเนี่ยเราเราสื่อนีมันรอตัวเลย่อแล้วมันก็มีสองระดับวอย่างระดับธรรมระดับเลยศระดับกัระดับเรอย่างคเวลาสื่อเ่ทชยใมแต่นี ได้ไหมก็คือว่าอันนี้จะมาทุกข์จะเป็นระบ บ, บ, บ, บ, บ, บของการเกิดใจเลยพ่อแล้วก็แล้วมันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้จริงต้องมีความเป็นอนันตั้ตาอยู่ด้วยก็คือความระบบความสัมพันธ์ที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นดำลงอยู่แล้วเป็นไปตามสมภาวะของมัน้ว่นทีี ก็มันไม่มีตัวตนมารับกระทบใช่ไหมเพราะว่าไม่มีตัวตนรับกระทบมันก็เลยทุกไม่มีที่ตั้งเขาเรียกว่าอย่างนั้นทุกไม่มีที่ตั้งไม่มีที่กอะตัวมันก็เลยไม่รู้จะเจริญงอกงามได้ยังไงนี้ถ้าเราไปมีตัวตั้หาความปรารถนาขึ้นมาก็มีอุปาทานความเข้าไปยึดหมมั่นต่อสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นปั๊บทุกก็มีที่กอบตัวขึ้นมาก็เจริญงอกงาม ถ้ามองเห็นตามสภาวะระบบความสภาวะในเหตุปัจจัยทั้งหลายาเป็นสภาวะทำเคลื่อนไหวไปก็มองตามเหตุปัจจัยนั้นมันก็ไม่มีตัวตนที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นก่อตั้งทุกที่จะเดินงอ ง, งามได้เอาละแค่นั้นพอเพราะฉนั้นก็พูดมาวันนี้ก็ยาวยืดเลย